อาจารย์นถูนทุกท่านข้างนอกเข้ามายัางไม่หมดยังเดี๋ยวรอสักครู่นะนั่งรอแล้วก็อย่ารอเปล่าๆหายใจ้เราก็รู้สึกตัวไปนะถ้าเราทิ้งความรู้สึกตัวเสยอย่างเดียวนะโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองมันก็ไม่มี เป็นสิ่งแรกเลยที่เราต้องฝึกนะฝึกให้จิตใจมันอยู่กันเนือกับตัวอย่างตอนนี้เรามีเวลา 2-3 สนาทีเราไม่ทิ้งเปล่าๆคนส่วนใหญ่ชอบทิ้งเวลามีเวลา5 10, นาที10นาทีทิ้งเปล่าๆไปเราไม่ทิ้งนะเราก็นั่งหายใจไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัว หัดรู้สึกตัวไปเรื่อยให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยเราถึงจะพัฒนาตัวเองได้จะมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจได้การศึกษาธรรมะหลวงพ่อพูดไปเรื่อยก็แล้วกั น, กนอินโทรยาวหน่อยนี่การรอการศึกษาธรรมะศึกษาได้หลายระดับจะศึกษา จากตำรับตำราด้วยการอ่านด้วยการฟังอันนี้ก็ได้ปัญญาเหมือนกันเป็นปัญญาจากการอ่านจากการฟังเรียกว่าสุตตะมยะปัญญาหรือได้อ่านได้ฟังแล้วเอามาคิดพิจรารณาวิเคราะห์ใช้เหตุใช่ผลของเราเองอันนี้เป็นจินตามยะปัญญามันมีการพัฒนาจิตใจขั้นสูงอยู่ด้วยปัญญาอีกชนิดหนึ่ง นี่อันนี้แหละที่พวกเราควรจะเรียนเรียกว่าภาวนามยยปัญญาภาวนามยยปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาที่เกิดจากการที่เราจเจริญสติจเจริญปัญญาเราไปเห็นความจริงของรูปนามกายใจถ้าจะพูดไปก็คือให้เรามีสติแล้วก็มาทำวิจัยวิจัยอะไรวิจัยเรียนรู้ความจริงของรูปนามเป็นการวิจัยภาคสนามไม่ใช่วิจัยลิทเตอร์เจอร์ ไม่ใช่คนว้าจากตำร า, าต่ดูจากของจริงเหมือนเราจะวิจัยทัศนคติคนกรุงเทพหรือคนไทยต่อรัฐบาลแต่และช่วง เ, เราก็ไม่ได้ไปแค่กางหนังสือดูว่าเขาว่าอย่างไงไม่ได้แค่นั่งคิดเอาเองแต่เราไปวิจัยภาคสนามไปสำรวจทัศนคติของคนต่อรัฐบาล แต่ละกลุ่มแต่ละเพศแต่ละวัยแต่ละอาชีพมีทัศนะเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงไปดูของจริงการเรียนธรรมะในขั้นที่จะให้เกิดปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์เราต้องใช้การเรียนด้วยการวิจัยเอานี้แหละเรียกว่าธรรมะวิจัยเนี่ยพระพุทธเจ้านะโก้เอมากเลยท่านใช้คำว่าวิจัยมาก่อนนักวิชาการนะเพราะาอะไรพ น, นักวิชาการยังไม่เกิดตอนนั้น พระเจ้าท่านใช้คําว่าธรรมวิจยะธรรมวิจัยคืออาศัยเครื่องมือสําคัญก็คือสติสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราถ้าเอาสตินี่แหละไปคอยสังเกตสังเกตความเปลี่ยนแปลงของกายสังเกตความเปลี่ยนแปลงของจิตใจสังเกตจนวันหนึ่งเราได้องค์ความรู้มาองค์ความรู้ตัวนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิก็คือเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาถ้าหากใครเข้ามาถามเรานะว่าอะไรคือพระพุทธศาสนาอะไรเป็นตัวพระพุทธศาสนาจริงๆเราต้องตอบเขาได้นะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธว่าสัมมาทิฏฐิคือตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐิเรียนขึ้นมาได้รู้ขึ้นมาได้นะสะสมขึ้นมาไดนะ้ด้วยการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจ เรียนรู้แบบนักวิจัยเข้าไปดูว่าจริงๆเนี่ยร่างกายเป็นยังไงจริงๆจิตใจเป็นยังไงไปดูความจริงการดูความจริงเนี่ยตรงกับคำว่าวิปัสนาพวกเราเคยได้ยินคำว่าวิปัสนาไหมฟังแล้วน่ากลัวที่จริงแล้วถ้าแปลออกมาเราก็ไม่น่ากลัวอะไรปัสชนะว่าการเห็นวิคือเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องคือถ้าเราสามารถเห็นกายเห็นรูปนะหรืเห็นจิตใจเห็นนามธรรมอะไรเนี่ย ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอันนั่นแหละเรียกว่าการทํำวิปัสสนากรรมฐานมันเป็นงานวิจัยเลยละ่ะเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจด้วยจิตใจที่ไม่มีอคติอย่างเราจะทําวิจัยอยากได้ความรู้อะไรสักอย่างแต่เรามีอคติอย่างเราอยากรู้ทัศนคติของคนกรุงเทพต่อรัฐบาลแต่เราเข้าข้างรัฐบาลหรือเราเกลียดรัฐบาลเราไปทำํำเราอาจจะตั้งคําถามตั้งอะไรเนี่ย มองแต่ในมุมที่สอดคล้องกับความต้องการของเราอย่าถามนําเขาก็ได้อย่างเงี้ยอย่างเนี้ยการวิจัยอย่างนี้เออเลล้ใช้ไม่ได้งั้นเราก่อนที่เราจะไปทําวิจัยมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้เราต้องไม่มีอคาาติซะก่อนใจของเราต้องทําตัวเหมือนผู้พิพากษาเลยเป็นคนดูเท่านั้นเองหรือเหมือนกรรมการห้ามมวยกรรมการตัดสินบอลไม่มีอคาาติเป็นแค่คนดู นการที่จะมาฝึกใจให้เป็นคนดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเรียกว่าจิตสิกขาเป็นการพัฒนาจิตให้มีคุณภาพซะก่อนแล้วก็เอาจิตที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยมาทำวิจัยมาเรียนรู้รูปนามตามความเป็นจริงพวกเราที่สนใจศาสนาพุทธนะจำนวนมากก็ไปฝึกปฏิบัติกรรมฐานกันบางคนก็เข้าคอร์สบางคนก็ทำเอาเองกาลางตาราทำจานวนมากที่บ้า ก็เคยเปเทศตามโรงบาบ้าแต่ว่าไม่ได้เทศให้คนบ้าฟังนะเทศให้หมอฟังให้คนทั่วทั่วไปที่สนใจฟังเนี่ยเทศเสร็จแล้วก็ถามว่าถามหมอเขาะว่าที่นี่มีพระมาเข้ารักษาบ้างไหมมาเป็นคนไข้โรงบันบ้าบ้างไหมหรือถ้ามีเราจะได้เอาของเครื่องปัจจัยตายาทานเนี่ยให้ทางโรงบานไปรู้นึกว่าไม่มีนะหมอบอกเยอะมากเลย เยอะมากเพราะอะไรเพราะานาไม่เป็นพาะานาผิดนะไม่สามารถที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้แล้วยังไม่พอนะถึงข้นสติแตกอีกเพรานั้นถ้าเราทำกรรมฐานผิดๆนะเราไม่เรียนให้ดีแทนที่จะเกิดคุณเกิดประโยชน์ได้รับรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะใครเป็นสติแตกไปดีไม่ดีเพี้ยนแก้ไม่ตกเลยเคยรู้จักเนนคนหนึ่งนะฉลาดมากเลยแล้วก็ มีหูตาไวมากพระทั้งวัดเนี่ยทำอะไรอยู่ที่ไหนเนรู้หมดเลยเนร์อยู่แต่กุฏิตัวเองนะเนร์รู้หมดอนะ่ะอยู่ที่สุลินหลวงปู่ดูลให้่านก็เตือนบอกว่าอย่าไปดูของคนอื่นนะให้ดูของตัวเองอไปสนใจของคนอื่นเนร์ไม่เชื่อนะตอนหลวงปู่ยังอยู่เนร์ก็หลบๆไม่กล้าดูมากเพราะหลวงปู่มรณภาพไปนะเนร์สนุกมากเลยรู้ไปหมดเลยอะไรๆก็รู้หมดเลยยกเป็นตัวเองลืมวิจัยตัวเอง เที่ววิจัยชาวบ้านไปตลอดดูของคนอื่ตลอดจิตใจมันไม่อยู่กับเนืกับตัวสุดท้ายสติแตกนะวันหนึง่งมองเห็นลิงพอเห็นลิงท่านะความรู้สึกของลิงเนะี่ยเข้ามาอยู่ในใจตัวเองเน้นนะี่กระโดดขึ้นต้นไม้เลยเป็นลิงไปละทําตัวมีความรู้สึกของลิงครอบงาอยู่พอขึ้นต้นไม้สูงๆแล้วมองลงมาข้างล่างเห็นท้องนานะมีควาย ความรู้สึกของกวายเนี่ยเข้ามาสู่ใจตัวเองอี้แล้วคิดดูซิว่าเมื่อกวอย์อยู่บนต้นไม้อะไรจะเกิดขึ้นนะน่ากลัวนะสุดท้ายก็ตกลงมาแล้วก็เป็นบ้านะสุดท้ายสุดท้ายฆ่าตัวตายรักษาหายแล้วพอไปพนาอีกก็พีดีพีดีบ้าเลยย้ัน่อนที่พวกเราจะไปปฏิบัติเนี่ยเราต้องรู้หลักของการปฏิบัติให้ดีซะก่อนมันจะไม่พลาด แต่หลวงพ่อคุยอวดได้อย่างนะคนที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยยังไม่เคยมีใครบ้าเลยสักคนเดียวมีแต่คนบ้ามาเรียนแล้วบางคนหายนะต้องเป็นบ้าชนิดที่เกิดจากจิตใจนะถ้าเกิดจากความผิดปกติทางร่างกายอย่างอย่างสมองผิดปกติอันเนี้ยภาวนาไม่หายแต่ถ้าจิตใจเครียดจัดอะไรเงี้ยภาวนาให้ถูกมันมันหายอย่างเนี้หายได้งั้นเราต้องเรียนให้รู้เรื่อง อย่านึกว่าเอะอาก็จะไปภาวนาทรงเดชเนาะจะไปกาหนดรูปกาหนดนามอะไรสิ่งแรกก่อนที่เราจะไปวิจัยเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้เราต้องมาทำใจของเราให้พร้อมซะ ก, ก่อนก็เป็นผู้ที่จะเรียนรู้ได้จิตใจที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจได้ต้องเป็นจิตที่ไม่สุดตกไปสอข้างข้างหนึ่งคือจิตใจที่หลงไปลืมกายลืมใจลืมตัวเอง คนในโ ล, นลกนี้ลืมตัวเองทั้งวันนะตื่นนอนขึ้นมาก็คิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นนะลืมตัวเองไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดถึงตัวเองตื่นขึ้นมาเนี่ยนอนอยู่ท่าไหนก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมาหายใจออกหรือหายใจเข้าก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมามีความสุขหรือมีความทุกข์ก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตเป็นกุศลหรืออกุศลก็ไม่รู้ไม่รั่วอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองเลยตั้งแต่ตื่นนะจนหลับหลับไปก็หลับไปกับความไม่รู้ลืมเน้อลืมตัว วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราสนใจสิ่งภายนอกเราไม่มีจิตใจที่อยู่กับเนื้อกัตัวจิตใจที่อยู่กับข้างนอกนะมันจะเรียนรู้ตัวเองไม่ได้เวลาเราใจลอยไปเนี่ยเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจเพราะฉะนั้นสภาวะแห่งความใจลอยนะเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งะอันนี้เราต้องต่อสู้ให้พ้นจากศัตรูเบอร์หนึ่งนี้ให้ได้ศัตรูเบอร์หก็คือความลืมตัวเองความฟุ้งซ่านความใจลอยไป และวิธีที่จะฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่สั่งเราสั่งให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้ไม่มีใครสั่งได้เลยเพราะอะไรเพราะจิตนี่เป็นอนัตตาอนัตตาว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับแต่ว่าธรรมชาติของจิตนั้นมันเป็นไปตามความเคยชินถ้าเราเคยชินที่จะหลงออกไปข้างนอกจิตมันก็จะหลงออกไปข้างนอกแต่ถ้าเราหัดตัวเองใหม่เราเคยชินที่จะรู้สึกตัวต่อไปเราจะรู้สึกตัวได้โดยไม่ได้เจตนาบังคับเพราะบังคับก็บังคับไม่ได้ งั้นเราต้องค่อยๆฝึกไปคนที่ไม่ฝึกเนี่ยจีมจะไปข้างนอกตลอดอย่างเวลาเราขับรถไปคนมาปาดหน้าเราที่เราสนใจคืออะไรเราสนใจไอ้คนที่ปาดเราใช่ไหมเนี่ยเราจะดูอะไรใจเราโกรธนะ้มาปาดหน้าเราเราโกรธพอโกรธปุ๊บแทนที่เราจะรู้ทันว่าตอนนี้ใจกําลังโกรธเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราไปเห็นไอ้คนที่ปาดไปจ้องเดี๋ยวจะอเอาคืนจะไปปาดคืนถ้ามันหนีไปห่างหน่อยนะปาดคืนไม่ทันนะกดแรด่ามันก็ได้นะ หรือนั่งอยู่ในรถเราก็ด่ามันจะไดะ้มันไม่ได้ยินหรอกเนี่ยเวลาที่เราโกรธขึ้นมาเราสนใจคนที่เราโกรธเราไม่รู้ว่าใจกาลังโกรธเนี่ยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนหน้าตากำลังเป็นยักษ์เป็นมารน่าเกลียดเลยไม่รู้ไม่เห็ น, นหรือเวลาที่เราไปเดินชอปปิ้งแถวนี้ก็มีที่ซื้อของเยอะแยะนะเซนทู๊กเซนทันอะไรเนี่ยนะว่างๆก็ออกไปเดินซื้อ ไปเห็นของที่ถูก อ, อกถูกใจเพราะเราเห็นของที่ถูกใจนะใจเราชอบเราไม่เห็นว่าใจกําลังชอบเรามา่อแต่เห็นอะไรเห็นแต่อ้ของนั่นแหละหันไปทางไหนก็คอย ว, วกกลับมาดูของอันนี้โดยธรรมชาติของเราเนี่ยเวลาเราดูนะเราสนใจสิ่งที่เราดูเราไม่รู้ไม่สนใจร่างกายจิตใจของตัวเองเวลาเราฟังนะเราก็สนใจสิ่งที่เราไปฟังเราไม่สนใจร่างกายจิตใจของตัวเอง เวลาเราคิดเราสนใจเรื่องราวที่คิดเราไม่สนใจร่างกายจิตใจของตัวเองนี่แหละที่เรียกว่าจิตฟุ้งซ่านออกไปจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอันเนี้ยในทางพระนะมีศัพท์อยู่คำหนึ่งชื่อว่ากามสุขคลิการุโยคกามสุขคริการุโยคเป็นความย่อหย่อนของจิตอย่างหนึ่งนะเป็นความสุดโต่งของจิตในทางย่อหย่อนเป็นความสุดต่งแบบย่อหย่อนสุดโต่งมีสองข้างข้างบังคับกดข่มให้เครียดกับข้างย่อหย่อน เวลาที่เราหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปในเรื่องราวที่คิดเนี่ยเรียกว่าสุดตงไปทางกามสิ่งที่เรียกว่ากามนะกามมาคุณอารมณ์นะคืออะไรคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายคือเรื่องราวทางใจที่เราคิดสิ่งเหล่านี้นะเป็นเป็นอารมณ์ภายนอกเป็นเป็นของข้างนอกเราเพืแต่สนใจของพวกนี้เราลืมที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองแลวคนทั้งโลกเป็นแบบนี้หมดเลย นเราก่อนที่เราจะมาเรียนรู้มาวิจัยความเป็นจริงของกายของใจได้เนี่ยเราต้องมาฝึกใจไม่ให้หลงลืมตัวเองซะ ก, ก่อนให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็ต้องฝึกให้จิตเคยชินที่จะรู้สึกตัวธรรมชาติของจิตเราเนี่ยเคยชินที่จะหลงเรามาฝึกใหม่ให้เคยชินที่จะรู้สึกต่อไป น, นี้หายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นไหมยอย่าใจลอยเท่านั้นแหละนะอย่าใจลอยนานรู้สึกตัวให้ไหว หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเอายิ้มสิทุกคนยิ้มยิ้มหวานๆนะเชิญชวนให้ยิ้มตอนนี้แล้วเห็นตัวเองกําลังยิ้มอยู่รู้สึกไหมร่างกายกำลังยิ้มสังเกตไหมเวลาที่เรายิ้มเนี่ยใจเราก็สบายด้วยใจเราคลายเนี่ยเราก็รู้ทันจิตใจที่ผ่อนคลายเห็นร่างกายยิ้มเห็นจิตใจที่ผ่อนคลายอยันนี้แหละจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะถ้าจิตใจลืมเนื้อลืมตัวฟังหลวงพ่อเทศจิตึง่มาอยู่กับหลวงพ่อ เห็นหลวงพ่อพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะลืมตัวเองแต่ว่าเวลาฟังเทศมันก็จําเป็นกันนะจะมาคอยรู้สึกตัวมันก็ฟังไม่รู้เรื่องอย่างเวลาเราเป็นนักศึกษ า, ารเราฟังเลคเชอร์ฟังอาจารย์แล้วสักแต่ว่าได้ยินสอบตกแน่นอนนะเพราะจะไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดเรื่องอะไรตอนนั้นต้องลงก่อนลงไปฟังนะอันนั้นเป็นเรื่องโลกโลกแล้วต้องตั้งอกตั้งใจฟังแต่เวลาที่เราลงมือปฏิบัติเนี่ยถ้าใจมันหลงไปนะให้รู้ไวๆอย่าหลงนาน เราก็ต้องฝึกซ้อมทุกวันนะแบ่งเวลาไว้สัก15นาที20นาทีไม่ต้องมากหรอกถ้าแบ่งเวลาไว้มากไปเราจะเครียดทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตใจที่หลงไปเช่นเราหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวพอจิตใจมันหนีไปคิดรู้ทันว่ามันหนีไปคิดนี่มันลืมลมหายใจแล้วหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วพอเรารู้ว่าหนีไปคิดแล้วก็กลับมาหายใจต่อเดี๋ยวมันหนีไปคิดอีกก็รู้อีกไม่ห้ามนะ ถ้าห้ามจะเป็นความสุดโต่งกลับข้างข้างตึงเครียดเกินไปเรียกว่าอัตกติลมัฏฐานโยกนะสิ่งที่ผิดนะพะพุทธเจ้าบอกมีสองอันนะสิ่งที่ผิดที่นักปฏิบัติไม่ควรเอาอันแรกเรียกการสุขาริการโยคคือจิตใจที่หย่อนไปมันหลงออกไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิน่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจมันลืมตัวเองลืมกายลืมใจ สุดโตอีกข้างเรื่องอตัตากิลมาฐานุโยกทําตัวเองให้ลําบากบังคับกายบังคับใจพวกที่ทำกรรมาฐานระบาคือพวกชนิดหลังนี่แหละก็บังคับกายบังคับใจอย่างสูง่าหิวน้ำนะจะกินน้ำนะต้องจ้องก่อนแล้วกว่าจะกินน้ำนะต้องกระตุกกระตุกไปนานเลยพอดีไตาวายเลยยังไม่ทันกินน้ำนะทาอะไรนะมันบังคับตัวเองไปหมดเลยเวลาจะนั่งสมาธิบอกอ้าวทาสมาธิ ตอนนี้นั่งอยู่แล้วใช่ไหมพอหลวงพ่อบอกให้นั่งสมาธิต้องขยับนะเชื่อไหมว่าต้องขยับถ้านั่งอย่างนี้นั่งสมาธิไม่ได้ต้องอย่างนี้ถึงจะนั่งสมาธิได้ต้องบังคับตัวเองทุกเรื่องเลยพอบังคับร่างกายเสร็จก็จะบังคับจิตใจให้แข็งแข็งให้ทื่อๆไว้หรือบอกให้เดินจงกรมเวลาเดินช้อปปิ้งนะมันต้หลายชั่วโมงเดินได้นะเดินจงกรมเนี่ยแข้งขาจะเลียงเลยเพราะเดินผิดธรรมชาตนะิเวลาจะเดินจงกรมเนี่ยต้องเริ่ม บังคับตัวเองก่อนบังคับร่างกายให้ได้ที่นะทำใจให้ขลุขระแล้วค่อยเดินอันนี้แหละมันตกไปสู่ความสุดตรงข้างบังคับตัวเองนะถ้าบังคับตัวเองแล้วได้อะไรได้ความสงบนะแต่ว่าจิตใจไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจไม่ได้เดินเข้าสู่ทางสายกลางใจเราจะเข้าสู่ทางสายกลางได้ต้องไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้ไม่บังคับไวนะ้นี่เราต้องฝึกพระใจของเราเนี่ย เคยชินที่จะเผลอส่วนนักปฏิบัติเนี่ยไปฝึกตัวเองเคยชินที่จะเพ่งบางคนนะับจะแปลงฟันนะกินข้าวเช้าเสร็จแล้วก็แปลงฟันหลวงพ่เคยรู้จักคนหนึ่งกินเช้าวเช้าแล้วแปลงฟันนะจนเพื่อนกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วยังแปลงฟันไม่เสร็จเลยมันคดิกทีละนิดนะกิ๊กๆนะคดีเชื้อโลกเต็มปากแล้วกวาดออกไปไม่ทันทาอะไรเครียดหมดนะหลายคนที่ฝึกแล้วสติแตกเพราะว่าเครียดเกินไปอย่าไปทําตัวเองให้ลําบากขนาดนั้นะ กรรมฐานจริงๆเนเป็นทางสายกลางแค่ไม่หลงไปแค่ไม่หลงไปแค่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่นี่แหละดีที่สุดแล้วงั้นเรามาคอยฝึกตัวเองนะเวลาใจมันหลงไปเช่นเราหายใจไปเรารู้สึกตัวไปหายใจไปรู้รู้สึกตัวไปแล้วใจมัหาหานหลงไปเรารู้ทันใจมันหลงไปเรารู้ทันพอเรารู้ทันไปบ่อยต่อไปจิตเราจะเคยชินกับความรู้สึกตัวพอจิตมันเคยชินกับความรู้สึกตัวแล้วพอมันเผลอปั๊บนะ มันจะกลับมารู้สึกตัวเองโดยอัตโนมัติหลวงพ่อยืนยันนะว่ามันเป็นไปได้แล้วคารวะก็ทําได้ทําไมกล้ายืนยันเพราะหลวงพ่อทำตั้งแต่เป็นคารวะหลวงพ่อนักครูบาอจารย์อย่างหลวงปู่สิมนะเคยได้ยินชื่อไหมหลวงปู่สิมพุทธาจาโรเก่งมากเลยองค์นี้ท่านเจอหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้คนก็สงสัยว่ารู้อะไรรู้หวยรู้เบอร์หรือไม่ใช่รู้ตัวรู้สึกตัวทําไมรู้สึกตัวได้ทั้งวัน เรารฝึกหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวใจหนีไปแล้วรู้ทันใจหนีแล้วรู้ทันนะฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะต้องทํานะถ้าทําแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยที่ไม่ได้บังคับถ้าบังคับใช้ไม่ได้เครียดถ้าภาวนาแล้วเครียดนะให้เลิกเลยจิตที่เครียดเนี่ยเป็นจิตที่มีโทสะจิตที่มีโทสะเป็นอกุศลมูลจิตเป็นจิตที่เป็นอกุศลแน่นอนเลยนะจิตที่เป็นกุศลนีโปร่งโล่งลเบาสบายรู้เนื้อรู้ตัวมีสติอยู่ ใจเนี่ยจะโป่งปลอดโปร่งเบา อ, อ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวถ้าเราไปฝึกกรรมฐานแล้วก็จิตเราก็หนักแน่นแข็งซึมทื่ออันนั้นผิดแน่นอนเพราะนั้นะเราพยายามมาฝึกนะแบ่งเวลาไว้วันหนึ่งสัก15นาทีเท่านั้นแหละไว้พระสวดมนต์สัก 2-3 นาทีเวลาที่เหลือเนี่ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองถนัดรู้ลมหายใจก็เห็นร่างกายหายใจไปจิตมันเผลอไปก็รู้นะ หรือจิตมันไปจ้องใส่ลมหายใจแบบเคร่งเครียดก็รู้ทันแล้วรีบเลิกซะอันนี้ต้องรีบเลิกซะมันตึงเครียดเกินไปหรือบางคนถนัดดูท้องฟองยุบดูท้องฟองยุบไปอยู่จ้องที่ท้องให้เห็นร่างกายนเนี่ ย, ย, ย, ทยทั้งตัวเนี่ยรู้สึกไปสบายๆสบายทั้งตัวนี่นะเห็นร่างกายมันหายใจเข้าไปมันก็พองเห็นร่างกายหายใจออกมันก็ยุบเลยเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบไม่เปิดจ้องอยู่ที่ท้องนะจ้องอยู่ที่ท้องเราเครียดให้รู้สึกตัวสบายๆไป ขนาดเดินจงกรมก็เดินไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูถ้าใจมันหนีไกคิดให้รู้ทันใจมันมาเพ่งอยู่ที่ร่างกายให้รู้ทันเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆฝึกรู้ทันใจของเราเองนะเวลาใจมันหนีไปคิดก็รู้ใจมันไปเพ่งก็งรู้ฝึกอย่างนี้ให้มากเลยเสร็จแล้วเราจะได้สมาธิที่ดีสมาธิที่ถูกต้องที่จะใช้ในการเดินปัญญาจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องนั้นจะถอนตัวออกมาเป็นคนดูไม่ใช่ผู้แสดงจะเป็นคนดูแล้วละ่ะดูอะไรดูร่างกายหายใจ ดูร่างกายพองยุบดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะดูร่างกายเคลื่อนไหวดูร่างกายหยุดนิง่งจิตมันจะถอนตัวมาเป็นแค่คนดูตรงเนี้เราต้องค่อยๆฝึกอยู่ๆมันไม่เกิดหรอกต้องฝึกเอานะแต่ต้องฝึกให้ถูกถ้าไปฝึกแล้วก็เพ่งเอาเพ่งเอาบังคับตัวเองว่าห้ามเผลอจิตเครียดเครียดต่างๆก็บ้านะฉะนั้นอย่าทำกรรมาฐานให้มันเครียดนะถ้าเครียดเมื่อไหร่หยุดทันทีทําผิดแล้วห้ามขายันเนะนี่ยหลภงพ่อสอนอย่างนี้นะลูกศิษย์เลยไม่มีใครเป็นบ้าเลย นะมีแต่บ้านน้ำลายเพราะว่าฟุ้งไปนะเราก็อยากไปปล่อยใจให้มันฟุ้งซ่านนะคอยรู้สึกใจมันอยากพูดลรู้ทันอะไรเงี้ยคอยรู้ด้ยดืยใจมันหนีไปละใจมันหนีไปทางไหนได้บ้างร้ใมใจหนีได้หกช่องหนีไปดูหนีไปฟังหนีไปดมกลิ่นหนีไปริมรถหนีไปรู้สัมผัสทางกายหนีไปคิดนึกทางใจหนีได้หกช่องเช่นเวลาเรานั่งรถไป มีรถชนกันนะใจเราไปอยู่ที่รถที่ชนกันใช่รถติดกันทั้งถนนเลยรถชนกันคู่เดียวแต่รถติดทั้งสองฝั่งเลยเพราะว่าอะไรใจของคนขับรถเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่ที่คู่กรณีใจมันไม่อยู่ที่ตัวเองเนี่ย ใ, ใจหลงไปทางตาก็ได้หลงไปทางหูก็ได้นะเช่นเราได้ยินสามีพันยาข้างบ้านเราเขาแอบกระซิบอะไรกันโอสนใจมากเลยพยายามจะใช้ทีพโสดฟัง แล้วเขพูดไรเขาจูจีกันว่ายังไงอะไรอย่างนี้นะพยายามในขณะที่จดจ่อในการฟังเขาเนี่ยมีกายลืมกายมีใจลืมใจพวกเราใครใช้โทรศัพท์มือถือบ้างมีไหมว่าใช้ทุกคนอ่ะนะสังเกตไหมเวลาเห็นคนอื่นนะเห็นคนอื่นโทรศัพท์มือถือแล้วเดินโทรไปเรื่อยรู้สึกไหมดูบ้องๆนะเดินไปหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างเครียดบ้างนะเนะนี่ยใจเราไปดูเขานะเราจะลืมตัวเราเอง ในขณะที่เขาโทรศัพท์อยู่เขาก็คิดไปโต้ตอบไปฟังไปคิดไปโต้ตอบไปเขาลืมตัวเองหรือทำท่าแปลกๆนะงั้นเวลาลืมตัวเองแล้วเราจะทําท่าประหลาดๆขึ้นมาไดนะ้ดูไม่สวยไม่งามบางทีเคยเห็นนะผู้หญิงสวยสวยนะสาวสวยเดินโทรศัพท์ไปตอนฟังก็แค่ขี้ฟันไปด้วยนะเดินไปเรื่อยไม่รู้ตัวเลยนะทำะไรนักเกลียดนักเกลียดไม่รู้หรอกเพราะอะไใจมันไม่อยู่กับตัวเอง งั้นถ้าเราไม่อยากน่าเกลียดนะพยายามรู้สึกตัวไว้บ้างนะให้จิตใจมันอยู่กันเนื้อกับตัวทุกวันแบ่งเวลาไว้ฝึกกรรมฐานสัก อ, อย่างหนึ่งอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้แต่ว่าฝึกแล้วไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบแต่เราฝึกเพื่อรู้ทันเวลาจิตมันเผลอไปแล้วอย่าไปบังคับให้มันสงบนะถ้าบังคับจะเครียดตึงเครียดเกินไปเนี่ยถ้าเราฝึกได้อย่างนี้ในที่สุดใจเราจะเป็นผู้สังเกตการใจเราเป็นเป็น observer เป็นผู้สังเกตการเท่านั้นคราวนี้เราพร้อมจะทําวิจัยแล้ว พร้มที่จะเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจล้พราะใจเราเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วนะเราค่อยมาสังเกตเราจะเรียนเรื่องอะไรเราจะเรียนความจริงเรื่องของตัวเองเรียนรู้ตัวเองศาสน า, าพุทธไม่ได้ไปสอนให้เรียนรู้เรื่องอื่นเราจะเรียนเรื่องของตัวเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนี่เองนะงั้นเราพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว ร, ร, ร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกเราแค่รู้สึกเอาอย่าไปบังคับกายอย่าบังคับใจเหมือนเราทําวิจัยเนี่ย เราไม่ไปบังคับคนนะที่อยากจะไปสํารวจทัศนคติเขาคุณมีความเห็นยังไงต่อรัฐบาลถือไม้ไว้อันหนึง่งตอบสิอย่างเงี้ยเขาจะตอบให้ถูกใจเราใช่ไหมงั้นมันจะเออร์เรอทันทีอย่าไปบังคับนะอย่าไปบังคับกายอย่าไปบังคับใจให้ดูกายอย่างที่กายเป็นให้ดูใจอย่างที่ใจเป็นร่างกายนี้มันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนนะใจเราเป็นคนดู เราเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเราจะมีความรู้สึกว่าร่างกายกับจิตใจนี่มันโคล่านกันร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งโคล่านกาันะนะถ้ดูอย่างนี้นานๆจะเห็นว่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนาธาตุเป็นวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาไหลเข้ายังไงเช่นหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะดื่มน้ําเข้าไปก็เป็นเหงื่อเป็นปัสสาวะอะไรออกไปนะ เนี่ยมีาธาตุที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆถ้ า, าธาตุไม่หมุนเมื่อไหร่ก็ตายนะร่างกายนี้มีความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราคอยเรียนรู้ความจริงของร่างกายนะนะคอยรู้สึกไแปบบคอยรู้สึกอยู่ในใกายเราจะเห็นมันไม่ใช่ตัวเราเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ร่างกายนี้มีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะยังนั่งอยู่ขนาเนี้ยสังเกตไหมเวลาเรานั่งเราก็ต้องขยับไปขยับมาทําไมต้องขยับเพราะมันเมื่อยมันเมื่อยหลังใช่ไหมหนั่งยังเนี่ย ก็มันเมื่อยตลอดชีวิตที่เราผ่านมานะเราขยับเปลี่ยนอิริยาบถอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนอิริยาบถใหญ่ๆบ้างเช่นนั่งแล้วก็ไปยืนไปเดินไปนอนอะไรอย่างนี้นะเปลี่ยนอิริยาบถย่อยๆกระดุกกระดิก๊กกระยุกกระยิกเนี่ยตลอดเวลาเลยนะเพราะอะไรเพราะมันทุกข์เนะี่ยถ้ามาอยู่ตรงที่หลวงพ่อนั่งเนี่ยจะเห็นนะพวกเราเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากลิงแน่ๆเลยเพราะเดี๋ยวก็เกาเดี๋ยวก็เกานะเป็นทุกคนเลย สวยแค่ไหนนะท่านเดี๋ยวก็เาซะหน่อยเห็นไะมนะนะนะเอาเนี่ยเนี่ยยุ่ยี่ยตลอดเลยทำไมต้องเกาเพราะมันทุกขนะ์ร่างกายเนี่ยมันมีความทุกข์ขึ้นมาที่ผ่านมานะร่างกายเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายน้ำเดี๋ยวต้องการขับถนะ่ายเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อย ร่างกายเนี่ยหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดมีความทุกข์หมุนอยู่ตลอดแต่คนทั่วไปทําไมไม่เห็นเพราะเขาไม่สนใจที่จะดูถ้าเราจะเรียนรู้ความจริงของกาย basket, จะมาวจิจัยความจริงของกายแลมารู้กายบ่อยๆเราก็จะเห็นความจริงของร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาที่จริงแล้วเราถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเชื่อไหม เราทดสอบนะต่อไปนี้หายใจเข้าให้ยาวที่สุดเลยในชีวิตลองหายใจเข้าทุกไหมเ้าหายใจออกสิหายใจออกอึชั่วหน่อยใช่ั้มหายใจออกสิหายใจออกให้ยาวที่สุดในชีวิตเลยแล้วดูว่าสุขหรือทุกเห็นไหมทำไมเราต้องเปลี่ยนหายใจเข้าแล้วต้องหายใจออกหายใจออกแล้วต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ซึ่งมันบีบคั้นเราอยู่ทุกๆลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าแล้วก็ทุกนะก็ต้องหายใจออกหายใจออกแล้วก็ทุกก็ต้องหายใจเข้านั่งอยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปยืนไปเดินไปนอ น, นอะไรเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะมันทุกข์ใช่ไหมทำไมต้องกินทําไมต้องขับถ่ายก็เพราะมันทุกข์ร่างกายเนี่ยเต็ไมไปด้วยความทุกข์แต่คนทั่วไปไม่เคยเห็นถ้าหากเราเคยเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะสุดท้ายจิตเราจะฉลาดเราจะรู้ว่าร่างกายเนี่ยคือตัวทุกข์เมื่อใจยอมรับความจริงแล้วว่าร่างกายคือตัวทุกข์ต่อไปเวลาร่างกายแก่เนี่ย เราจะไม่เดือดร้อนนะใจเราจะไม่เดือดร้อนเพราะอะไรตัวทุกข์มันแก่ไม่ใช่เราแก่เวลามันเจ็บจิตใจเราไม่เดือดร้อนเพราะตัวทุกข์มันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บเวลาจะตายตัวทุกข์มันตายไม่ใช่เราตายนะจะไม่เดือดร้อนเลยเพราะนั้นการที่เราหัดมีสตินะแล้วก็เรียนรู้ความจริงของร่างกายไปเรื่อยๆต่อไปเราจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะแก่ไม่ว่าจะเจ็บไม่ว่าจะตายจะไม่หวั่นไหว นีคนทั่วไปเนี่ยไม่ใช่มีแต่ทุกข์ทางกายอย่างเดียวนี่มีทุกข์ทางใจด้วยทุกข์ทางใจเช่นอะไรบ้างเช่นเวลาเราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจเป็นทุกข์ไหมเจอสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์รัดพลากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ทุกข์ไหมลัดพลากจากสิ่งที่รักเช่นซื้อโทรศัพท์มือถือมาใหม่แล้วพลัดพลากไปในฉับพลันทำหล่นไม่ได้หายไปไหนเลยนะถืออยู่ดยดีตกไปแป๊ะนึงอูหมีรอยถลอกเนี่ยของที่รักรัดพลากไปแล้วนะชำรุดไปแล้ว น่าเกลียดมีรอยอขีดอยู่นิดหนึ่งพอมีรอยขีดอยู่นิดหนึ่งเนี่ยเราจะเวียนดูไอ้ตรงที่รอยชํารุดนี่แหละไอ้ที่ดีๆทั้งนั้นเนี่ยเราจะไม่ดูแล้วนะเราจะดูตรงรอยทะลอนี่แหละดูอยู่แั้นใจก็เศร้าหมองไปเลยอันนี้เป็นความทุกข์ทางจิตใจใไหทางร่างกายไม่ได้ทุกโทรศัพท์หล่นนี่ไม่ได้ทําให้ร่างกายเป็นทุกข์เลยแต่ใจเป็นทุกข์เนะนี่ยเราจะมีความทุกข์ทางจิตใจนะเพราะว่าการประสบกับสิ่งที่ไม่รักความพลัดพรากจากสิ่งที่รักความไม่สมหวัง แต่ถ้าหากเรามาทำวิจัยจิตใจของเรานะแมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจเรื่อยๆเรารู้ตัวขึ้นมาแล้วเราก็ดูจิตใจของเราเราจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปลบกรดหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่เราจะดูอย่างนี้นะซ้าแล้วซ้ำอีก ดูไปหลายวันหลายเดือนนะบางคนดูหลายปีถ้าใจมันดื้อถ้าใจไม่ดื้อดูไม่นานมันจะรู้ความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดล้วนจะดับทั้งสิ้นพวกเราที่สนใจธรรมะเคยได้ยินคํานี้ไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเคยได้ยินใช่ไหมอย่างกินจิสมุ ท, ทัยยธรรมาสัพพันตังนิโรธาํารันติวิชาพูดรู้กันดีเรื่องนี้นะภาษาลิบุตรนะอุปติสสะไปฟัง พระอาสัชิพูดแล้วก็รู้ธรรมะอันนี้ขึ้นมาได้พระโสดาบันนีท่านเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเราก็มาหัดดูอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละเราจะเห็นในความสุขเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปความดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปความชั่วนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเหมือนกันโลภโกรธลงเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันไม่มีอะไรคงทนเลยเนี่ยหัดดูไปเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าถ้าดื้อมากก็ปีแล้วปีเล่าดูไป จนถึงจุดหนึ่งจิตจะยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับถ้าจิตยอมรับตรงนี้ได้นะต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ทุกข์เหลือน้อยเลยนะเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจโทสะมันขึ้นแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ไม่ชอบใจนี้มันก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปความรู้สึกไม่ชอบใจคือโทสะก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปได้นะ หรือเวลาเราเจออะไรสิ่งที่ชอบใจสมหวังสมปรารถนาเราก็ยินดีพอใจนะคนที่โง่เขลาก็หลงระเริงเลยเี่ยสมมติว่าจีบสาวมาได้คนหนึ่งนะสวยมากเลยเราไปคิดว่าสาวสวยต้องอยู่กับเรานิรันดร์อยู่กับเรานิรันดร์ไหมไม่อยู่หรอกบางทีเขาไม่ได้ทิ้งเราไปไหนเลยนะอยู่บ้านเราตลอดเลยแต่มอยู่หลายปีสาวสวยนั้นหายไปแล้วนะหรือสาวที่ไม่สวยแล้วกลายเป็นสาวแก่ๆอะไรอย่างนี้นะเนี่ย สิ่งที่ถูกใจนะมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ไปเนี่ยถ้าใจมันยอมรับได้นะว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวเวลาเราเจอของที่ไม่ชอบใจแล้วใจเราเกิดไม่ชอบมันก็จะรู้ขึ้นมาว่าของที่ไม่ชอบใจก็อยู่ชั่วคราวความไม่ชอบใจก็อยู่ชั่วคราวเวลาเจอสิ่งที่ชอบใจใจมันชอบขึ้นมาเราก็รู้อีกสิ่งที่เราชอบมันก็อยู่ชั่วคราวความรู้สึกชอบมันก็อยู่ชั่วคราว นะอย่างจีบสาวมาได้คนหนึ่งนะแหมดีใจดีใจไม่กี่วันเลยเบื่อแล้วเนี่ยสาวยังไม่ทันแก่เลยนะใจเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยความรู้สึกชอบมันเปลี่ยนไปชอบคนอื่นแทนเนี่ยความรู้สึกทุกอย่างนะมันชั่วคราวไปหมดเลยเหงือนถ้าใครเข้ามาบอกเรานะสาวๆทั้งหลายใครมาบอกเราว่ารักเรานี่รันดอนอ่ะไปบอกเขานะว่าไม่เที่ยงหรอกเป็นไปไม่ได้หรอกมีแต่ของไม่เที่ยงนะความรู้สึกทุกชนิดเปลี่ยนได้เนี่ยถ้าเรารู้ความจริงแล้วนะเราจะไม่หวั่นไหวเลย อะไรเกิดขึ้นเราจะไม่หวั่นไหวเจอของที่ไม่ชอบใจเราก็ไม่หวั่นไหวเรารู้ว่ามันชั่วคราวเจอของที่รักนะเราก็แล้มันหายไปเนี่ยเราก็ไม่เสียใจนะเพราะเรารู้ว่ามันของชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวถ้าเราใจเอายอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวนะกระทั่งร่างกายนี้ก็ชั่วคราวจิตใจนี้ก็ชั่วคราวความทุกข์จะห า, หายไปหลาย 10% เลยหายไปเยอะมากเลยนะอันนี้เป็นภูมิธรรมระดับพระโสดาบันนะเรายังไม่ต้องถึงขนาดภูมิธรรมระดับ พระนาขาพระลรหันนะนั้นสูงปว่ากันเยอะเลยแล้วพวกเราคอยหัดรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวไว้ถือศีลห้าไว้ก่อนนะทุกวันแบ่งเวลาไว้ทําในรูปแบบสัก10นาที15นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็คอยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปคิดก็รู้นะใจมันไปบังคับตัวเองเครียดขึ้นมาก็รู้หัดรู้บ่อยๆหัดรู้ทุกวันทุกวันสุดท้ายน่าใจมันจะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานถจาใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางาน เราจะเห็นในร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนเหมือนเราเห็นคนอื่นเลยนะมันจะมีความรู้สึกเห็นร่างกายนี้เหมือนเห็นคนอื่นเลยเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจก็เหมือนความรู้สึกของคนอื่นความโกรธเกิดขึ้นนะมีความรู้สึกเหมือนคนอื่นโกรธเราไม่ได้โกรธหรอกเราเป็นแค่คนดูเคยเห็นคนอื่นโกรธไหมลองไปดูสิเวลาใจความโกรธมันเกิดขึ้นในใจเราแล้วใจเราเป็นคนดูได้นะเราจะมีความรู้สึกเหมือนเห็นคนอื่นโกรธไม่ใช่เราโกรธหรอกไม่มีเราเราไม่มีเลยเนี่ยคอยรู้คอยดูบ่อยบ่อยไปนะ และความรู้ความเข้าใจของเราจะพัฒนาขึ้นอันนี้เกิดจากการที่ตามเห็นตามความเป็นจริงดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นนี่เรียกว่าธรรมะวิจัยนะธรรมะวิจยะไปเรียนรู้กายอย่างแล้วก็รู้ว่าความจริงของกายเป็นยังไงเรียนรู้จิตใจจะเห็นความจริงของจิตใจความจริงของร่างกายคือเป็นทุกข์ความจริงของร่างกายคือเป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราความจริงของจิตใจคือไม่เที่ยงความจริงของจิตใจคือบังคับไม่ได้ สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้เนี่คือความจริงความจริงมันมี3อันนะอันนี้จังทุกขังอนตัตตาเคยได้ยินไหมอันนี้จังหมายถึงว่าของที่เคยมีเนะี่ยแล้วมันก็ไม่มีอันนี้เรื่องอันนี้จังทุกขังคือของซึ่งกําลังมีเนี่ยของที่กําลังมีอยู่เนี่ยกําลังถูกบีบคั้นเพื่อให้ไม่มีนะถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างร่างกายเราเนี่ยถูกบีบคั้นให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลานะ อนัตตาหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะจะมีหรือจะตั้งอยู่หรือจะไม่มนะีเราสั่งไม่ได้มันเป็นไ ป, นปนตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตาคือความจริงที่เราจะไปเห็นความจริงนี้อยู่ในกายในใจในร่างกายเนี่ยสิ่งที่แสดงได้ชัดคือตัวทุกข์กับตัวอนัตตาดูได้ง่ายอันนี้จังดูยากนั้นยกเว้นไปดูรูปภาพนะดูรูปอุปีกลายกับปีนี้ไม่เหมือนกันละมั น, นเพราะว่าอะไรรูปมันอายุยืนผวนาำ แต่การนำมาทำคือความรู oh ้สึกในใจนี่นะดูอันนี้จังง่ายเพราะเปลี่ยนตลอดเวลาเลยอย่างอยู่บ้านก็อยากมาฟังเทศอยากฟังเทศสักพักหนึ่งอยากไปช้อปปิ้งนะช้อปปิ้งสักพักหนึ่งอยากไปกลับบ้านอะไรเนี้ยความรู้สึกมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ความรู้สึกเปลี่ยนตลอดเวลาแต่เวลาเราหัดดูนะหัดดูทีแรกเนี่ยดูเป็นวันๆก็ได้รู้สึกไหมแต่ละวันความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันบางวันสดใสใช่ไหมบางวันเศร้าหมองเนี่ยแต่ละวันไม่เหมือนกัน ดูอย่างนี้ยังก็ดีเหมือนกันนะแต่ยังไม่ใช่วิปัสนาหรอกมันเป็นการดูคนละวันกันคนละเวลาถ้าดูได้ละเอียดขึ้นเราจะพบว่าในวันเดียวกันเนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกของเราก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเช้าสดชื่นสายหงุดหงิดอนะไรเงี้ยกลางวันเครียดอะไรส่วนทางานหนักเย็นเย็นดีใจแล้วผ่อนคลายจะกลับบ้านอะไรเงี้ยความรู้สึกเปลี่ยนตลอดในวันเดียวกันนะแต่ละช่วงเวลาความรู้สึกก็ไม่เหมือนกัน พอเราดูตรงนี้ได้แล้วเราดูให้ละเอียดขึ้นไปอีกในแต่ละขณะความรู้สึกของเราก็ไม่เหมือนกันขณะที่มองเห็นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนขณะที่ได้ยินเสียงความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนขณะที่ได้กลิ่นขณะที่ลินกระทบรสขณะที่ร่างกายกระทบสัมผัสนะความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งอะไรมากระทบร่างกายความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยน เนี่ยเวลามีผัสสะมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะใจเราเปลี่ยนตลอดเลยแม้มันเปลี่ยนเร็วมากเลยนะถ้าเราเห็นนะว่าตามมงเห็นเห็นคนนี้ปุ๊บใจมันชอบเนี่ยความชอบแต่กี้ไม่มีตอนนี้มีขึ้นมาแล้วแล้วพอเรารู้ทันแลมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปนะแล้วก็เห็นเออความชอบก็ไม่เที่ยงความชอบก็บังคับไม่ได้ไม่ได้เชิญให้ชอบเลยอยู่ๆก็ชอบเองชอบแล้วก็อยู่ได้ไม่ตนอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะ เราจะคอยดูของจริงอย่างนี้นเรียกื่องว่าการวิจัยนะวิจัยธรรมะดูความจริงของกายดูความจริงของใจเบื้องต้นจะเห็นว่าตัวเราไม่มีนะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะต่อไปเราจะไม่ทุกข์เลยเวลาแก่เจ็บตายก็ร่างกายแก่เจ็บตายไม่ใช่เราแก่เราเจ็บเตายเวลาพลาดพลาดจากสิ่งที่รักเวลาประสบสิ่งที่ไม่รักนะเวลาไม่สมปรารถนาต่างๆเราจะรู้ไม่แค่ความรู้สึกชั่วครั้งชั่วคราวใจจะไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอก เนี่ยฝึกไปเรื่อยแล้วถัดจากนั้นพอได้โสดา <S 2> <S 2> แล้วนะเราก็ดูความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปจนวันหนึ่งเราก็ฉลาดมากขึ้นเราเห็นความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเราพบว่าร่างกายเนี่ยซึ่งเราเห็นแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเนีย่ยมันคืออะไรร่างกายนี้คือตัวทุกข์อย่างพวกเราจะไม่รู้นะว่าร่างกายคือตัวทุกข์เพราะเรายังมีอาวิชานะี่วิชานี่คือความไม่รู้ทุกข์ในตัวที่หนึ่งเลยคือความไม่รู้ทุกข์เราไม่เห็นหรอกว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ เราเห็นว่าร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายของเราทุกข์บ้างสุขบ้างเราไม่ได้เห็นว่าเป็นตัวทุกข์ถ้าพระอนาคาคาไม่เห็นอย่างนั้นนะพระอนาคาคาไม่เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่พระอนาคาคารนะท่านเห็นว่าร่างกายนี้มีทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยช่วงที่ทุกข์น้อยเนี่ยคนโง่คนที่ไม่มีธรรมะในใจก็เห็นว่าเป็นสุขไปเห็นตัวทุกข์ว่าเป็นสุขอ่ะนั่นคือความไม่รู้ ถ้าเมื่อไรเราภาวนาจนกระทั่งเราเห็นความจริงนะว่าร่างกายนี้โดยความจริงแท้แล้วคือตัวทุกข์ทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์กับสุขเห็นอย่างเนี้จิตจะหมดความยึดถือในกายถ้าจิตหมดความยึดถือในกายนะกายจะแก่กายจะเจ็บกายจะตายนะจิตจะไม่หวั่นไหวอีกต่อไปแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยมันไม่หวั่นไหวเองนะ มันมีแต่ความเบิกบานจะตายก็ตายด้วยความเบิกบานมีความสุขนะสบายแล้วต่อไปนี้ไอ้ตัวก้อนทุกข์นี่มันจะแตกไปแล้สมน้ําหน้ามันนะใจมันจะห้าวหาญขนาดนั้นนะนี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูต่อไปพอเราปล่อยวางกร่างกายได้แล้วนะจะเหลืออีกตัวเดียวคือใจนะตัวเนี้ปล่อยยากที่สุดเลยเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยเราจะเห็นไหมว่าจิตใจเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เคยเห็นนะว่าจิตใจเป็นทุกข์ล้วน เพราะเราไม่เห็นว่าจิตใจเป็นทุกข์ล้วนๆวนเราถึงปล่อยวางจิตใจไม่ได้เช่นเดียวกับที่เราไม่เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆวเราจึงปล่อยวางร่างกายไม่ได้ถ้าอย่างร่างกายเนี่ยเราเห็นว่าเป็นทุกข์ล้วนๆวนเนี่ยความอยากจะให้ร่างกายเป็นสุขยังไม่มีความอยากให้ร่างกายพ้นทุกข์ยังไม่มีเพราะมันคือตัวทุกข์ถ้าเราเห็นจิตใจเป็นตัวทุกข์ล้วนๆวเมื่อไหร่นะเราจะหมดความยึดถือในจิต เพราจิตเป็นตัวทุกข์ซะแล้วเราจะไปยึดมันทําไมทุกวันนี้ที่เรายึดอยู่ยึดในกายยึดในจิตอยู่เพราะเราเห็นว่ามันมีทางที่จะมีความสุขยังมีโอกาสหาความสุขได้เราก็ดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความสุขแต่ถ้าสติปัญญาแก่กล้าขึ้นมาเรารู้ว่ามันคือตัวทุกข์นี้ยังไงก็หนีไม่ได้นะร่างกายนี้คือตัวทุกข์จิตใจนี้คือตัวทุกข์ถ้าเห็นถึงขนาด น, นี้นะความดิ้นรนจะไม่เกิดขึ้นตัณหาจะไม่มีมันรู้ทุกข์เมื่อไหร่นะความอยากคือตัณหาจะไม่เกิดขึ้นอีกเลย เรารู้ทุกข์เมื่อไห่ก็ละสมุทยัยละตัณหาเมื่อ น, นั้นเลยถ้าละตัณหาได้ใจปราศจากความอยากนะใจจะสัมผัสพระนิพพานจะแจ้งพระนิโรธทันทีเลยจะสัมผัสพระนิพพานโดยอันตโนมัติงั้นเวลาที่เราพอวนาไปนะเมื่อเราเห็นความจริงของกายวางกายไปได้แล้วก็ดูใจต่อไปเราเห็นความจริงของใจว่าใจนี้คือตัวทุกข์สุดท้ายเราวางจิตใจลงได้วางจิตใจลงได้เราจะไม่มีอะไรให้หยิบฉวยอีกแล้วถ้ายัางยึดจิตอยู่ดวงเดียวนี่แหละ มันจะไปสร้างร่างกายใหม่ขึ้นมาได้อีกนะยึดจิตดวงเดียวนยีจิตจะคล้ายๆเมล็ดของต้นไม้อย่างคล้ายๆเมล็ดของต้นมะม่วงจิตดวงเดียวนี่ก็เหมือนเมล็ดของต้นไม้ดวงเดียวนี้แหละทิ่ตกลงไปในที่ที่เหมาะสมก็งอกเป็นต้นมะม่วงขึ้นมาได้ทั้งต้นเลยออกลูกออกหลานได้อีกจิตดวงเดียวนี้แหละที่มีเชื้อเกิดคือมีอวิชชานะถึงเวลาก็งอกคันห้าคือกายใจนี่ขึ้นมาได้อีก ก็ ว, วนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่สติปัญญาแก่กล้าจริงนะเห็นลงไปเลยจิตนี้คือตัวทุกข์ปล่อยวางจิตได้ตัวเดียวจะปล่อยวางโลกทั้งโลกเลยเคยเห็นเข้าขายไอ้ลูกโป่งสวรรค์ไหมเดี๋ยวนี้ยังมีไหมลูกโป่งสวรรค์หลวงพ่อไม่ไม่เห็นนานละแต่ก่อนจะก็จะเดินกํามือไว้เงี้ยนะมีลูกโป่งตั้งฝูงหนึ่งถนะือไปเรืนะ่อยๆครับถ้าเราปล่อยมืออันเดียวนี้ปล่อยอันเดียวนี้นะที่มืออันเดียลลูกโป่งนี้ไปหมดเลยนะ สภาวะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราสามารถปล่อยที่จิตได้ดวงเดียวเนี่ยนะไร้าวางจิตได้ดวงเดียวเนี่ยขันท่าจะถูกปล่อยทิ้งไปหมดเลยนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราเนี่ยปล่อยทิ้งได้ทั้งหมดเลยนะแต่ว่ายากนะต้องภาวนากันหนักหนาสาหัสกว่าจะได้เห็นความจริงว่าจิตนี่คือตัวทุกข์แต่ว่าไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําไดนะ้ถ้าเราภาคเพียนรู้เนื้อรู้ตัวตือศีลห้าไว้แล้วก็คอยรู้สึกตัวไว้ดูกายทํางานดูใจทํางานไป สติปัญญาก็พัฒนาเป็นลำดับลำดับไปเบื้องต้นเห็นว่าตัวเราไม่มีเบื้องกลางเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์เบื้องปลายเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์สุดท้ายก็ปล่อยจนหมดนั่นแหลนะสําคัญที่สุดก็คือตัวแรกถ้าตัวแรกผ่านแล้วตัวหลังต้องผ่านแน่นอนนะเพราะฉะนั้นความยากอยู่ที่จะเป็นพระโสดาบัานได้ไหมนี่แหละถ้าพระโสดาบันถ้าเห็นว่าตัวเราไม่มีสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเราก็ดูสิ่งที่พระโสดาบันเห็นให้มากๆนะ ดูกายดูใจไปเรื่อยเห็นมันไม่ใช่เราหรอกนะร่างกายก็เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยบังคับมันไม่ได้เนี่ยหัดดูไปเรื่อยๆสุดท้ายปัญญาแก่กล้าขึ้นมาได้ธรรมะขั้นต้นเป็นพระโสดาบันนะเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้ววันหนึ่งจะต้องเป็นพระอาหารหันต์แน่นอนไม่มีทางเลือกเลยนะจะเป็นเป็นอัตโนมัติเลยเพราะสติสมาธิปัญญาจะแก่กล้ามากขึ้นมากขึ้นนะจะเห็นความจริงของกายใจมากขึ้นมากขึ้น ทุทานก็ปล่อยเป็นเองมันปล่อยของมันเองนะไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุมรรคผลของจิตเองนี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะแต่ว่าอยู่ๆจิตจะบระรลุมรรคผลได้เองไหมก็ไม่บรรลุเราต้องทําเหตุเหตุคืออะไรเหตุคือศีลสิกขานะต้องเรียนรู้วิธีที่จะมีศีลเหตุคือจิตตะศิขาเรียนรู้วิธีที่จะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเหตุคือปัญญาศิกขาเรียนรู้ความจริงวิธีเรียนรู้วิจีนะ ที่จะเอาจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจถ้าเราทําได้ในสิ่งเหล่านี้เรียกว่าไตรสิกขาศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญสิกขาเนี่ยมักผลจะเกิดขึ้นเราสั่งให้เกิดไม่ได้เขาเกิดของเขาเองนะนั้นพวกเรามีหน้าที่รักษาศีลห้าไว้ทุกวันแบ่งเวลาไว้ในรูปแบบสัก15นาทีไม่ได้ขอมากเลยนะขอ15นาทีทําให้ได้ทุกวันนะจะเป็นจะตายก็ขอให้ปฏิบัติให้ได้ 15นาทีถือว่าถวายบูชาพระพุทธเจ้าคนละ ก, กันนะแล้วก็ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งใน15นาทีนี่แหละไหว้พระนิดหน่อย23นาทีพออย่าไหวจนทั้ง20นาทีไม่มีเวลาปฏิบัติเลยไหนะว้นิดหน่อยพอไหว้แล้วก็ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทานจิตใจตัวเองจิตใจหนีไปให้รู้จิตใจหนีไปให้รู้จิตใจไปบังคับอยู่ก็รูนะ้ในสุดจิตใจไม่จะเป็นผู้รู้ขึ้นมาไม่สุดโต่งไปข้างหลงไม่สุดโต่งไปข้างบังคับ ใจิตใจเป็นผู้รู้แล้วก็ดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นดูได้ไหมดูได้สบายๆเพราะร่างกายมีอยู่แล้วทดลองดูว่าจะดูร่างกายได้ไหมยิ้มซิยิ้มหวานหวานยิ้มหวานซิยิ้มหวานเห ม, มือนมีคนมาบอกรักครั้งแรกยิ้มหวานเห็นร่างกายยิ้มไห ม, ไมเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ต้องเอ า, เอากระสบจบมาส่องนะเรารู้ด้วยความรู้สึกเราขยับมือซิขยับมือเห็นร่างกายขยับมือไหมเห็นด้วยใจนะ ด้วยความรู้ส hey. ึกร่างกายมันขยับมือเห็นร่างกายมันหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆนะคอยรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปนะอะไรเกิดขึ้นในร่างกายก็รู้อะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้คอยฝึกแไปความรู้สึกทางใจเป็นของที่ดูง่ายนะบางคนชอบคิดเอาเองว่าดูกายง่ายกว่าดูจิตดูกายยากกว่าดูจิตดูกายจะให้เห็นรูปเนี่ยยากนะ เย็นดูกายแล้วเห็นอะไรเห็นผมคนเล็ดฟันหนังเน้อเย็นกระดูกผมก็เล็ดฟันหนังเนื้อย็นกระดูกยังไม่ใช่ตัวรูปสิ่งที่เป็นตัวรูปจริงๆคือธาตุดินน้ำไฟลมดูยากนะกว่าจะเห็นธาตุถ้าไม่ทรงฌานจริงๆดูยากมากแต่นํามาทําคือจิตใจของเราดูง่ายพวกเรารู้จักสุขไหมรู้จักความสุขไหมรู้จักความทุกข์ไหมรู้จักไหมอิจฉาเป็นไหมผู้ชายคนไหนเคยอิจฉาแม่ยกมือให้หลวงพ่อดูซิผู้ชายนะผู้หญิงไม่ต้อง ผู้ชายคนไหนเคยกลัวบ้างกลัวกลัวอะไรมากที่สุดกลัวเมียบางคนนะมีเมื่อก่อนหลงพ่อเคยทำงานที่เขาอ่านประวัติเคยทำงานอยู่ก่อนเรามานออกทะหารันะพวกนายทหารเนะเคยเล่าให้ฟังว่าเคยไปเจอท่านจอมพลท่านหนึ่งที่ยังเอ่ยชื่อเลยท่านสิ้นไปแล้วจอมพลท่านเนี้ยดุชะมัดเลย แล้วจำคนนี้วันหนึ่งนั่งกินเหล้ากับลูกน้องนะแกก็เปิดใจพรเมาเต็มที่แล้วแกก็เปิดใจตัวเองว่ากูนี่เป็นยังไงก็ไม่รู้ใครๆก็กลัวกูทั้งประเทศเลยนะอย่างกูเดินเข้าไปในกรมทหารนะทหารนะตะเบะกูกนะู้นมันสันเลยแต่แปลกว่าพอกูเข้าบ้านนะเมียมันมองกูกูสันเลยเออเห็นไหมผู้ชายก็กลัวเป็นเห็นไหมรู้จักกลัวใช่ไหมเอเกลียดเป็นไหมเกลียดผู้หญิงเกลียดเป็นใช่ไหะ อิจฉาก็เป็นเกลียดก็เป็นกังวลเป็นไหมกังวลรู้จักไหมเซ็งเป็นไหมเซ็งเนี่ยความรู้สึกทุกชนิดนะพวกเรารู้จักอยู่แล้วต่อไปนี้แค่ว่าขณะนี้ความรู้สึกอะไรกำลังเกิดอยู่แค่รู้เท่านั้นแหละนี่เรียกว่าดูจิตใจตัวเองแล้วนะขณะนี้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขเราก็จะเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปไม่ต้องไปทำอะไรมัน ขณะนี้โกรธรั่วโกรธไม่ต้องไปทําอะไรมันดูซิเธอจะโกรธนานสักแค่ไหนเนี่ยเธอหมายถึงตัวเองนะดูซิโกรธได้นานสักแค่ไหนดูไปเดี๋ยวมันก็ดับเนี่ยการดูจิต ด, ดูใจนะไม่ใช่เรื่องยากเท่าที่คิดกันหรอกพูดเราเองว่าทํายากแท้จริงแล้วนํา ม, มาทํานั้นเป็นสิ่งที่พวกเรารู้จักอยู่แล้วสุขเราก็รู้จักทุกเราก็รู้จักดีเราก็รู้จักนะชั่วโอบโกรธลงอะไรก็รู้จักทุกอย่างเลยต่อไปนี้ความรู้สึก อ, อะไรเกิดขึ้นคอยรู้ บ, บ่อยๆนะ แล้วมันจะเข้าใจธรรมะได้ในวันนึงเพราะมันจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะฝึกอย่างนี้นะไม่ยากอะไรหรอกอ่ะสีนาทีพอดีพอดีใครจะส่งกันบ้านมีไหมใครใจลอยบ้างใครใจลอยลอยไปไหนลอยไปดูเขาเดินเนี่ยนะลอยไปโน้นลอยไป น, ไปนี้บางคนก็ลอยออกนอกห้งองประชุมเนะนี่ยเรารู้ทันมันไปเรื่อยไม่ห้ามมันหรอก เรา แ, แจะรู้ว่ามันไม่ใช่เรามันทํางานได้เองไหนล่ะใครจะส่งกันบ้านนมัส ก, การเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อ, มอมยมส่งกันบ้านในรอบประมาณหนึ่งปีเจ้ า, าค่ะกี่ปีนะปีหนึ่งเจ้าค่ะอ๋อปีได้ยินว่าหมื่นปีอแก่แล้วชักอู้ตื่นสภาวะที่โยมที่โยมปฏิบัติแล้วได้เห็นนะเจ้าค่ะก็คือมีอยู่วันหนึ่งโยมเผลอหลับไปแล้วยมยมตื่นขึ้นมามแล้วยมขยับปากนิดเดียวเนี่ยแค่เพียงนิดเดียว โยมเห็นว่าปากมันแยกออกไปที่กกนี้ไม่ใช่เราหรอกเจ้าค่ะครา น, นี้ที่นี้ปกติที่โยมเคยเห็นนะโยมจะเห็นขนาดเดียวแต่ครั้งนั้นนโยมเห็น3ามสี่ขนาดแล้วโยมก็เห็นว่าปากแต่ละขนาดมันเป็นคนละปากกันนะจ๊อใช่มันเกิดดับไปนะเจ้าค่ะอย่างเวลาเราหลับอยู่เราไม่ได้จงใจอยารู้สึกเลยจิตมันรู้สึกตัวจิตมันตื่นมันเห็นร่างกายบางทีร่างกายนอนกลโนกคลอก อ, อ, อยู่เลยนะแล้วจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วสั่งให้ร่างกายหยุดกลนน ห้ามไม่ได้นะสั่งให้ร่างกายขยับตัวก็ขยับไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยะะสั่งมันไม่ได้เลยทีากายกับจิตมันโคล่นกันค่ะทีนี้ตอนนั้ น, นจิตก็คล้ายกับว่าก็สงสัยว่าเอ๊ะที่เคยที่เห็นนี่มันไม่เหมือนกับทุกทีที่เห็นแล้วจิตมันก็เหมือนกับมันคาอยู่กับสภาวะเนี้จงังค<ช>่ะแล้วก็อีกไม่ใชจใจวันสองวันจิตก็เอาสภาวะเนี้ยมาพิจารณาใหม่แล้วจิตก็พบว่าโหมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ขัน เพราะว่าในแต่ละขณะมันก็มีขันโคลาชุดคลาชุดกันใช่แล้วจิตก็เหมือนกับว่าเขาเห็นนิมิตหรืออะไรไม่ทราบเจ้าค่ะเห็นว่าขันเนี่ยเป็นเหมือนแผ่นอะไรที่มันตั้งตั้งอยู่แล้วมีช่องว่างแล้วจิตก็ตกใจว่าถ้าทุกอย่างมันเป็นพ่องช่องเป็นแผ่นๆแยกกันหมดอย่างเงี้ยใช่แล้วตัวเราจะมีได้ยังไงใช่เพราะตัวเราจะต้องเป็นสิ่งที่ถาวรและเป็นเนื้อเดียวกันตอนนั้นจิตก็สลดมากแต่ยังไม่ขาดนะยังไม่ได้โสดาเพราะว่าเสร็จแล้วมันจะกลับมามีเราอีก เจ้าค่ะยังยังมีอยู่ตรงนั้นอดีตตัวนั้นเขาเรียกว่าสันตติขาดสันตติคือความต่อเนื่องใช่ไหมเราจะเห็นว่ารูปนี้ไม่ใช่รูปเดิมเจ้าค่ะนามหรือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่ใช่ตัวเดิมจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเดิมแล้วอันนี้ก็ใช่คณะแตกด้วยหรือเปล่าเจ้าค่ะใช่เห <c oughs> มือนกันคณะแตกก็คือขันมันแยกออกไปแต่ละขันแต่ละขันได้ไหมเจ้าค่ะแล้วแต่ละอ่านเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีช่องว่างเล็กๆหมักันเจ้าค่ะตัวนั้นเรียกสันตติขาดสันติขาดนั้นขึ้นไม่ปรสนาจริงๆแล้ว เจ้าค่ะแล้วก็มีอีกเช้าหนึ่งโยมชอบเห็นตอนเช้าเจ้าค่ะเช้าวันนั้นโยมเพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วโยมก็เดินไปที่โต๊ะเครื่องแปลงโยมก็ยื่นมือไปเหมือนจะหยิบจะหยิบของแล้วทาอะไรสักอย่างแล้วโยมก็เห็นว่าจิตอะเห็นความคิดแล้วก็จิตก็เอาความคิดนั้นอะขึ้นมาปรุงปรุงเสร็จแล้วจิตก็เหมือนทยานจะออกไปทําอะไรอย่างหนึ่งแล้วมันก็ดับแล้วโยมก็เห็นมันต่อๆอย่างนี้เจ้าค่ะประมาณ 3- าสี่ขณะเออเห็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละเจ้าค่ะแล้วตอนนั้นคือแล้วเสร็จลับพอเห็นจาก โยมก็พบว่าจิตนะมันเกิดความเบื่อคือมันเบื่อของมันเองโยมไม่ได้เบื่อเพราะว่ายมยังว่องนอนอยู่อแล้วเสร็จแล้วสักครู่หนึ่งจิตก็เปลี่ยนเป็นมันเหมือนกับว่ามันถูกของที่หยาบหยาบเนี่ยมันเสียดสีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแบบเหมือนกับมันแสบมากอแล้วยมก็เลยออกพึ่งเข้าใจว่าจิตนะมีความทุกข์มากอเนื่องจากว่ามันจะต้องทะยานออกไปทําอะไรก็ไม่รู้โดยที่มันห้ามตัวเองก็ไม่ได้ใช่ยังไงมันก็ต้องทําอย่างนี้รู้สึกไหมเวลาเราเล่าๆนะจิตมันก็สลดจับ้าค่ะ ความสลดสังเวชมันเกิดขึ้นมาแล้วนึกถึงความจริงที่เห็นนะใจมันยังสลดมันยอมรับไม่ได้มันยังยอมรับไม่ได้เนี่มันเลยไม่ได้โสดาสักทีเพราะมันยังยอมรับความจริงไม่ได้ถ้าโสดายอมรับความจริงได้แต่อยู่ๆจะไปยอมรับได้มันก็ยากนะเจค่ะเพราะอะไรเรารักตัวเองอย่างเหนียวแน่นอยู่ๆเราเห็นแล้วร่างกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรามันเริ่มเห็นนะแต่มันยังไม่ยอมรับเจ้าค่ะนะถ้ามันยอมรับได้ก็ได้ธรรมะหลย แล้วมีอีกอีกครั้งหนึ่งที่โยมไปเดินจงกลมในในสวนแล้วโยมก็เจอตัวกิ้งก่าอะไรทํานองนี้จ้าค่ะแต่โยมเห็นสภาวะที่เห็นนั่นนะว่าเหมือนกับว่าเราอะเห็นก่อนเห็นแล้วก็จิตมันก็ประมวลว่าไอเนี่ยตัวอะไรอแล้วมันก็ค่อยสรุปว่าไอเนี่ยมันคือตัวคล้ายๆว่าจะเป็นกิ้งก่าแล้วจิตก็จะตัดสินใจประมวลอีกทีว่าจะรู้สึกอะไรกับมันแล้วค่อยปรุงว่าจะกลัวแล้วค่อยกลัวอย่างนี้ก็เป็นนั่นก็คือวิธีของจิต อันนั้นมันใช้ปฏิจจสมุปบาทนะไม่ใช่ใช่เป็นการแสดงวิธีของจิตเจ้าค่ะแสดงวิถีคือกระบวนการทํางานของจิตให้ดูเจ้าค่ะแล้วสังเกตไหมมันทํางานของมันได้ยองเจ้าค่ะแล้วมันเห็นไในเวลาเพียงพริบตาเดียวทั้งหมดเลยนั่นแหละในขณะที่ตาเห็นรูปนะมีเรียกจักขูวิญญาณจิตเกิดขึ้นมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่จิตมีจิตดวงหนึ่งส่งสัญญาณเข้ามามีจิตดวงหนึ่งรับสัญญาณมีจิตดวงหนึ่งแปลสัญญาณ มีจิตดวงหนึ่งให้ค่าสัญญาณแล้วจิตจึงก็เกิดกลัวขึ้นมาใช่เจ้าค่ะน่นเป็นกระบวนการของจิตนะแต่่อไมวิถีของจิตอันนั้นไม่ใช่เรื่องสันตติอันนั้นไม่คนละเรื่องกันนะจ๊อันนี้เราไม่ได้เห็นสันตติขาดใช่เจ้าค่ะแต่เห็นวิธีของจิตเป็นวิธีของจิตถ้าเห็นสันตติขาดนี่ยขาดแต่ละดวงเนี่ยคนละดวงกันเจ้าค่ะเออหมดแล้วเจ้าค่ะกันบ้างเรื่องดีภาวนาหลวงพ่อพรเยอะหลวงพ่อพรจะมี ให้คําแนะนำอย่าคิดโดยมมีปัญหาเยอะเรื่องคิดอย่างเดียวเหรอเจ้าคะคิดมากไปเยอะมาก <c ười> เจ้าค่ะนั่นแหละคิดมากยากนานเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อกล่าวจากมรรคการหลวงพ่อค่ะคออือปัจจุบันนี้ลูกคิดว่าตัวเองสามารถเห็นได้แล้วว่าความสุขความทุกข์ความคิดปรุงแต่งต่า ง, างๆอะค่ะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูถูกขันมันแยกค่ะ ปัจจุบันนี้คิดว่าจิตยังไม่เป็นกลางนะคะยังยังมียินดียินร้ายอยู่แต่ความยินดียินร้ายนี้พัฒนาได้เบาบางลงกว่าเมื่อก่อนค่อนข้างเยอะอะค่ะเรารู้ได้เร็วมันก็ดับความยินดียินร้ายลงค่ะก็จะรบกวนกราบขอโอกาสมีคําถาม2คําถามอะคะ่ะ คำถามแรกนะคะคือเมื่อ8เดือนที่แล้วได้มีโอกาสส่งการบ้านหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อเมตตาบอกว่าลูกปฏิบัติได้ถูกต้องจิตถึงฐานดีก็เลยจะกราบเรียนถามว่าปัจจุบันนี้จิตของลูกยังเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่แล้วต้องพัฒนายังไงบ้างค่ะคิดว่าตอนนี้จิตพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะก็รู้ด้วยตัวเองนี่ไม่ต้องถามหรอกค่ะวินยูชนรู้ด้วยตัวเอง แล้วข้อที่สองะคะคือจิตหนูยังไม่สามารถเห็นจิตในในมุมมองที่ว่าจิตเกิดดับที่ตาที่หูได้ไม่ทราบจะพัฒนายัไยางไงได้แค่แหนแค่นั้นแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันหรอกค่ะเจ้าคา่ะท้ายนี้ลูกกราบขอถวายผลการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลวงพ่อปามโสด้วยค่ะสาธุนะไปทาต่อนะแล้วถ้าโทรสามเป็นแทร ก, ก็รู้ทันนะค่ะ ให้คอยรู้ทันอะไรแทรกเข้ามาก็รู้ทันไปดูซื่อๆดูสบายๆเดี๋ยวมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆหลยมันใช้เวลาตรงเนี้การขอบคุณมากค่ะกลับนัวันสการค่ะเออ ย, ยังไม่เคยส่งการบ้านค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นเนีต้องแยกให้ดีนะตื่นเต้นเพราะว่าคุยกับหลวงพ่อหรือตื่นเต้นเพราะว่าถือไม้หรือตื่นเต้นเพราะต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆ S <S เพราะอะไรอ่ะตื่นเต้นเพราะว่าต้องคุยกับหลวงพ่อค่ะโอหัวน่า ก, กลัวมากนะอ่านว่าไงเออคือเริ่มตื่นเห็นไหมว่าความตื่นเต้นมันลดลงใช่คะช่ะเห็นไหมมันไม่เที่ยงเ <คะ S 2> นี้ยที่หลวงพ่อแกล้งคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ความรู้สึกของเราเปลี่ยนคะ่ะรู้สึกเปลี่ยนแล้วสังเกตไหมว่ากายกับใจเป็นโคละอนกันดูออกไหมตอนนี้ไม่ออกค่ะแต่ว่าเคยเคยเห็นออกค่ะแล้วเห็นไหมว่าความรู้สึกกายใจเป็นโคละานเห็นค่ะ ถนัดดูจิตมากกว่าดูกายก็ดูจิตบ่อยๆแล้วจะสงสัยอะไรสงสัยว่าคือที่ที่ฟังซีดีมาตลอดเนี่ยว่าตัวเองปฏิบัติอยู่ในในลู่ทางที่ถูกหรือเปล่าเห็นไหมว่าขันแยกได้แค่ว่าความรู้สึกกับจิตโคลานเนี่ยก็ขันแยกแล้วอ๋อค่ะงั้นเห็นค่ะเห็นไหมว่าความรู้สึกทั้งหลายมาเองไปเองเห็นค่ะแล้วจะสงสัยอะไรแล้วเราเห็นเกิดดับได้แล้วนี่ ขันมันแยกแล้วแต่ละขันก็เกิดดับอย่างเงี้ย<ะ>เห็นอย่างนี้ก็เห็นหไปเรื่อยๆเห็นได้มากพอถ้ามากพอก็จะเข้าใจธรรมะขึ้นมาขอบคุณค่ะระวังอันเดียวใจมันขี้ฟุ้งซรร่านใช่ค่ะฟุ้งซ่านเก่งใช่ค่ะถ้าใจเราฟุ้งซ่านเก่งเราต้องหาเครื่องอยู่มาช่วยจิตนะจะอยู่กับคำบริกรรมก็ได้อย่างครูบาอาจารย์ชอบอยู่พุโทโธพุพพโทพโธ<ะ>ไปเรื่อยๆนะแล้วใจมันหนีไปแล้วรู้ใจหนีแล้วรู้ ใจมันก็จะไม่ฟุ้งมากของคุณใจมันฟุ้งเก่งนะหาคำบริกรรมมาให้จิตอยู่แล้วแต่คำอะไรก็ได้ที่ใจมันชอบคือปกติจะใช้วิธีพุทโธแล้วก็ดูที่ลมหายใจที่ปลายจมูกอันนี้มันยาวไปนะคะคือแบบสบายใจแต่ตอนข้ามถนนต้องดูถนนนะบางคนพุทโธตลอดวันเลยไม่ดูโลกไม่ได้เลยนะอันตรายเราพุทโธแล้วเราก็รู้ทันจิตไปเรื่อย พุทโธล้จิตเป็นสุขก็รู้พุทโธจิตเป็นทุกข์ก็รู้พุทโธและจิตฟุ้งซ่านก็รู้พุทโธและจิตสงบก็รู้อยู่กับพุทโธไปได้หลวงตามหาบัวท่านเคยบอกท่านใช้พุทโธเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเลยท่านบอ่างนะี้นะขอบคุณค่ะกลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ลูกเคยส่งกันบ้านเมื่อครั้งครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีที่แล้วครั้งนี้คือครั้งที่สองนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าตอนเดินจงกรมเนี่ยมุ่งเอาสงบมากเกินไปแบบนี้ค่ะลูกก็กลับไปเดินพยายามให้มันผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเดินไปประมาณปีกว่าๆเนี่ยค่ะมีวันหนึ่งตอนที่เดินอยู่เนี่ยค่ะก็ได้ยินเสียงที่หลวงพ่อพูดว่ามุ่งเอาสงบมากเกินไปเนี่ยดังขึ้นมาแบบนี้ค่ะคือจิตมันคงได้ คงนึกขึ้นมาแบบนี้ค่ะ mm hmm. ตอนนั้นก็คือสงสัยคืองงอะค่ะเพราะว่าปกติมันจะไม่เป็นแบบนี้ก็แต่ว่าก็เดินต่อไปอีกสักจนสุดทางระยะจงกรมอย่างเงี้ยค่ะมันถึงได้อ๋อขึ้นมาแบบนี้ค่ะ <c oughs> ว่าว่าคือถ้าเรามองเอาสงบมันก็เห็นแต่ฟุ้งกับสงบฟุ้งกับสงบแบบเนี้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่มัน คือความอย่างเช่นความคิดที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับแล้วมันก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะควบคุมไม่ได้บางทีมันก็สงบบางทีมันก็ไปของมันเองแบบเนี้ยเราก็จะมองไม่เห็นมันเพราะอย่างตอนนั้นก็คือเราก็เห็นในส่วนอันนี้แล้วก็มันมันมันเหมือนกับว่าไอ้ส่วนที่เราเห็นตรงเนี้ยค่ะมันก็อยู่ของมันตรงตรงเนี้ยมันเหมือนกับตอนนั้นที่ลูกนึกขึ้นมาคือเหมือนผ้าม่านแบบเนี้ยค่ะมัน มันหล่นลงมาแล้วของมันเคยวางอยู่ตรงนั้นมันก็เห็นมันก็วางอยู่ของมันอยู่ตรงนั้นเป็นแบบนี้อะค่ะนั่นแหละเวลาจิตไปเกิดปัญญานะไปเกิดความเข้าใจมันปิ้งขึ้นมานะมันไม่เลือกที่หรอกเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เวลาความเข้าใจมันจะเกิดแต่ละคราวแต่ละคราวดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเออแล้วก็ตอนระยะละระยะเนี้ยค่ะเวลาเดินจงกรมเอย่ามันจะเริ่มเห็นกายเดิน จิตคิดแต่นี้มันก็จะมีบางครั้งที่เห็นกายเดินจิตคิดแล้วก็มีผู้รู้แล้วก็มีตัวเราแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เห็นเห็นตัวเราเนี่ยเกาะเกาะตัวผู้รู้อะค่ะเกาะเหมือนเหมือนเราโหนต้นไม้อยู่อะค่ะแล้วผู้รู้มันเป็นกิ่งไม้อะแล้วก็ปล่อยไม่ได้อะค่ะตอนนั้นมันรู้สึกว่าปล่อยไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีอะไรให้เกาะค่ะมันตัวจะหล่นลงไปในความว่าง มันต้องจับอะไรไปสักอย่างเลยจับใช่ค่ะข้ามันไม่ได้หรอกเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของจิตค่ะแต่ตอนหลังๆมาก็มันก็มีหลายๆหลายครั้งนะคะตอนเดินจงกรมเหมือนกันเร่าสุดก็คือเห็นกายเห็นจิตเห็นผู้รู้เหมือนเดิมแต่ว่าไอ้ไอ้นี้ก็คือเห็นความไม่พอใจแต่ว่าตอนที่เห็นความไม่พอใจนี่คืออันนี้ไม่มีเราแล้วค่ะมันลอยๆขึ้นมาแต่ละตัวก็ลอยไปความเป็นจริงแต่ละตัวลอยๆขึ้นมาไม่มีเราหรอกก็เป็นเราเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองเจ้าค่ะ ตอนนี้อีกนิหนึ่งก็คือโยมกัสงสัยว่าตอนที่โยมเห็นกลไม่ใช่เราค่ะตอนนั้นน่ะโยมรู้สึกว่ามันเสียใจมากคําคือมันร้องไห้มากเลยแต่ตอนเนี้พอมันเห็นจิตไม่ใช่เรามันทําไมเฉยๆอะค่ะมันยังไม่ยอมมันเห็นอะแต่มันยังไม่ยอมยังไม่ยอมละความเห็นผิดนะค่ะลึกๆลงไปมันก็รู้สึกเป็นเราอยู่นั่นแหละอมันยังไม่เห็นไม่พอดูไม่พอ ถ้าดูไปได้่อยนะถึงวันที่เขาพอมันก็ล้างความเห็นผิดล้างตัวนี้ได้ก็เป็นพระสสดาบันนะเจ้าค่ะแล้วขออีกท <ำ S 1> อ่ อ, อนิดนึงตัวค่ะผมก็มามาตอนนี้ยยมเดินจงกรมตอนเช้าค่ะแล้วตอนกลางคืนก็เดินจงกรมเชา้า10นาทีแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยสินาทีแล้วก็จะมีนั่งสมาธิ15นาทีแต่ตอนนั่งสมาธิเนี่ยยมเห็นว่าวันฟุ้งเยอะะค่ะแต่แต่ยมก็ยังนั่งอยู่นะคะเพราะว่ายมอยากจะได้อีก มีช้อยเลือกแบบเวลาปฏิบัติแบบเนี้ค่ะนั่งสมาธิควรจะนั่งต่อควรควรสิควรฝึกให้ได้ทุกทุกีดียบทนะเจ้าค่ะแต่ตอนนอนยังไม่ต้องฝึกเดี๋ยวหลับเจ้าค่ะเอาสามีดีอยบทกันเจ้าค่ะกล่าวขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะครับผมกล่าวนมัสการหลวงพ่อครับก่อนอื่นก็ขอขมาหลวงพ่อก่อนครับก็ส่งกันบ้านครับก็รู้สึกว่าตอนนี้ช่วงหลังตัวเองก็อ รู้ทันความไม่เป็นกลางมากขึ้นครับแล้วก็ก็จะมีความเป็นกลางกับสภาวะต่างๆมากขึ้นครับแต่ก็ข้อเสียก็คืออาจจะทํารูปแบบน้อยแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงเวลาใช้ชีวิตกลางวันก็เป็นธรรมชาติมากกว่าเดิมเยอะมากครับก็ขอคําแนะนำหลวงพ่อครับผมต้างทาอีกนะใจมันคุ้งไปครับดังนั้นควรจะทําในรูปแบบนะครับหรือถ้าให้ใจมีเครื่องอยู่ได้ ชีวิตประจําวันนี้อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหรืออยู่กับอิริยาบถอะไรก็ได้นึกถึงมันบ่อยๆหรืออยู่กับจิตที่ได้เห็นจิตมันทำงานเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคอยรู้คอยดูมีเครื่องอยู่ให้มันอยู่นะใช้กายเวทนาจิตทำอะไรก็ได้นะในสอย่างนี้มันจะทําให้ใจเราอยู่กันแล้วก็ตัวได้เยอะขึ้นนะตอนนี้ยังฟุ้งเก่งไปหน่อยครับนะจุดออนอยู่ตรงที่ยังฟุ้งอยู่นี้แหละ แต่ว่าขันมันแยกแล้วดูอกใช่ไหออกครับมาถึงวันนี้นะคนที่แยกขันได้นี่เยอะมากเลยใช้ได้ถ้าแยกขันไม่ออกนะไม่มีทางทางําวิปัสสนาเลยหลกตามหาบัวถึงบอกไงว่าถ้าแยกธาแยกขันไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญตัญญาอนะไรอย่างนี้นะยานการที่พวกเราแยกขันออกมาได้แล้วเราเห็นขันมันทำงานได้นะี่ดีที่สุดเลย นี่พอเราเดินปัญญาไปแล้วถึงจุดหนึ่งจิตมันฟุง้งจิตฟุ้งก็งทำความสงบพ่อมาเป็นคลาวๆาลให้ใจได้พักผ่อน่าใจได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ออาไปดูขันมันทำงานต่อนะเดินอยู่อย่างนี้แหละถึงวันที่มันพอมันก็พอนั่นแหละขอบคุณครับการหลวงพ่อก็ตองขอมาพระราชทานแล้วก็หลวงพ่อครับผมก็ผม เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาหลายปีแล้วก็ได้ส่งการบ้านมาหลายครั้งครับครั้งล่าสุดก็ส่งการบ้านที่นี่ครับก็คือก็ปฏิบัติในรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิก็ทําประจำทุกวันก็ครั้งละประมาณ15นาทีครับแล้วก็ในระหว่างวันก็ยังปฏิบัตไม่ค่อยแน่นอนนะครับก็คือดูบางทีก็รู้สึกกายบ้างรู้สึกใจรู้สึกสัมมาจะเป็นรู้สึกว่าเออคิด ครับว่ากำลังคิดอะไรอยู่นี้ก็มาประเมินตัวเองแล้วเนี่ยว่าปฏิบัติมานานหลายปีก็ยังไม่เคยมีความก้าวหน้าสติในชีวิตประจํำวันเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่มาบ้างน้อยบ้างคุณคุณเห็นไหมว่าความรู้สึกกับจิตเป็นโคนละอันเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครับก็คือร่างกายกับจิตเป็นโคนละอันเห็นไหม<อ>เห็นได้ไม่ทราบว่า คิดเองหรือเปล่าไม่ได้คิดเองหรอกค ร, ครนะพอเราเห็นตรงนี้ได้แล้วกรรมฐานต่อไปมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วละ่นะอย่าคิดเยอะแค่รู้ทันความรู้สึกที่กําลังเกิดขึ้นสดๆร้อนๆในปัจจุบันแล้วก็เห็นความรู้สึกมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแค่นี้ก็พอแล้วนะไม่ต้องไปกังวลใจอะไรมากมายนะไม่ต้องค้นคว้าอะไรเยอะนักหรอก ดูของที่ปรากฏในปัจจุบันในะความรู้สึกต่างๆไหลมาไหลไปดูไปสบายๆนะฝึกไปอย่างนี้ก็พอแล้วล่ะครับก็คือเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างจะลังเลบางนี้ก็ปฏิบัติไปหลายอย่างไม่ทราบว่าพ่อจะมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับต้องทนเอานะต้องทนดูแล้วดูอีกซ้าไปซ้ำมาอยู่นี่แหละ าวันหนึ่งจิตมันได้ของดีของวิเศษมามันจะรู้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าของฟรีไม่มีในโลกนี้นะของฟรีไม่มีของฟรุกไม่มีหรอกมีเหตุทั้งสิ้นเลยต้องลงทุนลงแรงทำเอาเองเมราะฉนั้เราพอนางงเราไปทุกวันนะเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ดีขึ้นดิทำอยู่ในทางอยู่ดูโย่แต่น้อยก็แยกขันเป็นแล้วก็ใช้ได้แล้วกราบนบสกาหลวงพ่อค่ะ นี่เป็นครั้งแรกนะคะเพิ่งเพิ่งจะได้ปฏิบัติไม่นานประมาณสองเดือนกว่ากว่ารู้จักจากเพื่อนสองเดือนสองเดือนครับสองเดือนทำได้ขนาดนี้เหรอเก่งเนาะคือก่อนหน้านี้เคยปฏิบัติเมื่อแปดปีที่แล้วอะค่ะคืออ่านหนังสือคือมีความทุกข์มากในจิตใจคือก็ตอนนั้นคือก็คือนอนแล้วก็สามารถ ตอนนันคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่เห็นว่าตัวเองลอยขึ้นมาเหมือนกับเห็นตัวเองนอนอยู่บนที่นอนอแล้วก็หลังจากนั้นคือก็เริ่มมีครอบครัวก็เลยไม่ค่อยได้ปฏิบัติมีครอบครัวก็ปฏิบัติได้นะอย่างใจเราเป็นสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ใจเรากังวลก็รูนะ้อย่างเลี้ยงลูกก็ปฏิบัติได้ลูกมีอารมณ์ดีเรามีความสุขนะ อารมณ์ไม่ดีหรือลูกไม่สบายเรากังวลอย่างเงี้ยนี่เราดูรู้ทันของเราไปแค่นี้ก็ทำได้แล้วก็พอไม่ได้ได้มาปฏิบัติใหม่ก็คือฟังหลวงพ่อก็ยังงงๆคือมันเหมือนกับมันมาใหม่หมดเลยทุกอย่างใหม่ๆอดีมันไ ม, ไม่ไม่ซับซ้อนไป <laughs> แค่รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในปัจจุบันแค่นั้นก็พอแล้วล่ะ ค่ะแล้วแล้วตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่นี่ทําถูกทางหรือยังคะถูกสังเกตไหมว่ากายกับใจมันแยกกันได้ค่ะก็สังเกตขนาดล้างจานก็อยู่ดีๆก็มีความคิดผุดขึ้นมาเออยู่ดีๆก็มีเพลงขึ้นมาแล้วมันมันคิดได้เองมันมันทํางานได้เองนั่นถูกแล้วล่ะถูกแล้วเราไม่ไปแทรกแซงนะแค่เห็นเขาทางาน แล้วตอนนี้ยังฟุ้งซ้านอยู่มากไหมคะหลวงพ่อฟุอ้อยู่คาราวาสนะมีจุดอ่อนอะไรเรื่องอันแรกเลยสมาธิไม่พอเนี่ยเป็นจุดอ่อนของคาราวาสทั่วๆไป อ, อีกจุดหนึ่งก็คือความต่อเนื่องก็ทาบ้างไม่ทำบ้าง<ช>ถ้าทำสม่ำเสมอนะแล้วก็แบ่งเวลาไว้ฝึกจิตฝึกใจจิตไหลแล้วรู้หลแล้วรู้ได้สมาธินะมันก็จะไปได้ง่าย จุดอ่อนของคารวาตที่หลวงพ่อเห็นนะสองตัวเนี้ยสมาธิไม่พอใจหนีตลอดแล้วไม่รู้หลงยาวคอีกอย่างนึงก็ทําบ้างไม่ทําบ้างผลัดไปเรื่อยเลยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนประจําเลยค่ะหลวงพ่อว่าอย่างนั้นไม่ดีอ่ะก็ไม่ทราบว่า ต, ตัวเองเนี่ยถนัดที่จะดูกายหรือว่าถนัดที่จะดูจิตดูจิตดีกว่าใช่ไหมที่โโหจะตายไปดูจิตไป ดูง่ายคนขี้โมโหดูง่ายค่ะผุดขึ้นมาจากตรงนี้เลยนันแหละผุดขึ้นกลางอกเลยน่าจะดูง่ายค่ะแล้วหลวงพ่อมีอะไรที่อยากจะแนะนำไปดูเอานะไปดูดูอยู่เรื่อยๆอะไรพุดขึ้นมาก็แค่รู้แค่เห็นไม่ห้ามไม่บังคับอค่ะน่จะเห็นอะไทุกอย่างมาแล้วไปตอนนี้ก็คือแยกธาตุแยกขันธ์ได้แยก่แล้วมันแยกอยู่แล้วแยกตัวกันบ้านมาแยกทุกคนเลย Uh เดี๋ยวนี้การแยกธาตุแยกขันเป็นเรื่องเบสิกไปแล้วละ่ะสมัยก่อนจะว่าแต่แยกธาตุแยกขันเลยนะเมื่อ30ปีก่อนนะแยกธาตุแยกขันเนี่ยโอ้โหเป็นความฝันนั้นสูงสุดเลยแค่รู้สึกตัวยังไม่ค่อยมีคนรู้สึกตัวเลยเมื่อ30ปีก่อนหลวงพ่อสอนเพื่อนไม่กลุ่มนั่งรถตู้พาเข้าวัดไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จิตท่านวๆอท่านหันกลับมาดูเลยอุทานเลย ผมไปรวมกันมาได้ขนาดนี้เยอะเลยนะท่าว่าสิบคนเนี่ยที่รู้ตัวเป็ดเนี่ยแค่นี้เยอะแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่พูดกันแล้วเรื่องรู้สึกตัวแยกธาตุแยกขัดเนี่ยเป็นเรื่องเบสิกไปแล้วต่อไปต้องเห็นไจรักษถ้าต่อไปใครยังไม่พูดเรื่องใจรักษนี่เฉย <c oughs> ปีนี้ยั ง, ย, งยอมให้เรื่องแยกธาตุแยกขัดธ์อยู่ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เห็นใจรักได้ยังคะ วินยูชนต้องรู้ด้วยตัวเองเห็นไหมว่ามันทํางานได้เองเห็นอยู่แต่ใจยังไม่ยอมรับใช่ค่ะมีความรู้สึกเหมือนกับมันมีความสงสัยมันไม่แน่ใจนั่นแหละมันยังไม่ยอมนะมันยังไม่ยอมให้รู้ทันว่ามันลังเลสงสัยค่ะโอเคขอบพระคุณหลวงพ่อมากจะค่ะวสการเ้าค่ะหลวงพ่อก็ส่งกันบ้านครั้งล่าสุดหลวงพ่อประมาณเจเดือนเจ้าค่ะ คราวนั้นถูกความทุกข์ถาถมมาประมาณสองปีกว่าเจ้าคะ่ะหลวงพอ่อพบ ว, ว่าอาการทุกข์ทางใจกับที่มันถาถมมาค่ะก่อนนั้นหนูเคยฝึกดูเวทนาค่ะกายที่มันถูกทรมานมากมากว่าใจที่ถูกทรมานมากมันอาการเดียวกันคือเป็นโทสะที่มันขุ่นมันติดออกมาอย่างนี้เจ้าคะ่ะพอหลังจากนั้นที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อเสร็จแล้วรู้สึกว่าความทุกข์มันคลายออกอะเจ้าคะ่ะอืแต่เราก็ รู้สึกว่าอารมณ์ที่มันมากระทบเมื่อก่อนจะเหมือนมันผุดขุ่นอยู่ในใจบ่อยเห็นจะเห็นอาการตรงนั้นมันจะเป็นอารมณ์แต่ตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือเหมือนมันมันกระทบมาแล้วมันเหมือนไม่รู้ว่าอะไรอารมณ์อะไรที่มันผุดออกมามันหายไปหายไปอย่างเนี้ยเจ้าค่ะคือมันเหมือนรู้ได้เร็วขึ้นนั่นแหละดีไม่ต้องมีชื่อเจ้าค่ะถ้ามีชื่ออย่างไม่ใช่ของจริงหรอกออันนี้มันเห็นนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไป ไมทำไมต้องใช้คาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง something อ่ะเพราะอะไรไม่รู้ชื่อชื่อไม่สำคัญเลยเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนั้นพอแล้วภาวนาได้ละเอียดขึ้น้มีอีกเรื่องนึงเจ้าค่ะวันนั้นปีใหม่เจ้าค่ะไปอยู่วัดเจ้าค่ะสวดมนต์เสร็จก็นั่งฟังธรรมจะภาวนาเจ้าค่ะนั่งสมาธิเหมือนความสึกเหมือนที่มันเริ่มจะนิ่งเจ้าค่ะแต่มันมีอาการเหมือน ตัวเรานั่งอยู่มันแท่นอะไรเหมือนเราโดนจับหมุนนะเจ้าคะ่ะแต่มั น, นไม่ได้โดนนะจับคะโดนอะไรนะเหมือนหมุนนะเจ้าคะ่ะหมุนรอบตัวเองแล้วการเวียนหัวมันมาเจ้าคะ่ะหลวงปอหนูก็เลยลืมตาแล้วพยายามมีสติอะเจ้าคะ่ะมีสติย้อนกลับมาดูจิตเอาเจ้าค่ะอาการทั้งหลายเวลาเกิดจากกันทําสมาธินะให้ย้อนกลับมาที่จิตแนละอาการนั้นจะหายไปเองไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรืออะไรทั้งสิ้นกลับมาที่จิตนะ เมื่อที่จิตแล้วช่วงนี้สมาธินั่งไม่ค่อยได้ก็เลยลองเปลี่ยนมาเดินดูเจ้าค่ะที่ก็ย่างดียังพออยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะเดินน้อยดีแล้วเดินน้อยนั่งดีกว่าเจ้าค่ะเดินก็ได้เดินฝึกเดินด้วยเจเรามีไปนั่งจุ่มปุ๊กทั้งวันได้ไงเราก็เดินทํางานไปด้วยก็ได้ค่ะกวาดบ้านไปด้วยอะไรเย่างนี้ระหว่ะช่วงนี้ทํางานบ้านมีความสุขขึ้นเจ้าคะเราเมืไหร่ทำงานบ้านนะไม่ใช่กลุ้มใจเสียใจน้อยใจ ทำงานบ้านเราก็เห็นร่างกายทำงานใจเป็นคนดูภาวนามีความสุขนะเมื่อก่อนคือทำตามทาเก็บของลูกของอะไรอย่างเนี้ยใจมันจะมีโทสะตลอดค่ะช่วงนี้ก็ทำแบบให้ใจกับกายอยู่กับตัวไปอ่ะ้ะแหละมันทุกข์ไม่ได้หรอกหลวงพ่อมีอะไรฝืนนั้นถูกแล้วใช่ปะไปทำอีกต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้าคะหลวงพ่อดูอย่างนี้แล้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ นมัส ก, การค่ะหลวงพ่ อ, อ, อฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณเกือบเจ็ดเดือนนะคะแล้วก็เริ่มปฏิบัติมาได้ไม่นานนะคะแต่ระหว่างวันก็จะพยายามทําบ้างอะคะ่ะแต่มันก็จะหลงไปเยอะเหมือนกันอย่างเช่นเดินส่งเอกสารก็จะพยายามดูว่านเนี่ยตัวเราเดินแต่แต่ไม่รู้ทําทถูกหรือเปล่าะคะ่ะหลวงพ่อทีแรกก็ต้องช่วยเหมือนคิดนะ ว่ตัวเรากํลาลังเดินอยู่เนี่ยใจเราเป็นคนดูอะไรเนี่ยค่อยๆสอนค่อยๆบอกมันไปเพราะเราเป็นคนที่คิดเก่งใจมันฟุ้งสั้นเก่งมันพร้อมจะหนีไปนานๆเวลาหลงไปมันจะหลงยาวงั้นเราพยายามรู้สึกร่างกายเรื่อยๆนะเตือนตัวเองให้ใจมันอยู่กับตัวเองเวลามันหนีไปแล้วก็รีบบอกมันนะเธอหนีไปอีกแล้วนะแต่ไม่ดูมันนะรู้ไวๆฝึกมันไปเรื่อยอันนี้คือเหมาะสาหรับเหมาะสาหรับ ด, บดจิตใร่ไหมคนะ ก็เราฟุ้งมากนะดูกายไม่ได้จริงค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อหมดแล้วนะในโอกาสนี้กระผมขอเป็นตัวแทนทุกท่านณนที่นี้กล่าวคำถวายทานและปัจจัยที่มีผู้มาถวายขอเชิญทุกท่านน้อมจิตตามนะครับ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 ยถาวาริวาาปุราภริภูเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังชิปเปเมวะสมิชตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโธปนณรโสยถามณีโชติรโสยะถาสพีติโยวิวัชชนตูสปโรโควินัสตุ มาเตผวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภาวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุทาปจายโนจตาโรโธรรมาวัันตีอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่อขออนุโมทนากับทางมหาวิเลยแล้วก็ผู้จัดด้วยนะอนุโมทนากับพวกเราที่มาฟังธรรมด้วย